หนังสือเล่นใหม่นี่ก็เป็นการรวบรวมธรรมะที่ได้แสดงไว้ในระยะที่ผ่านมาหนึ่งปีเขาก็เข้าไปหาเรื่องราวต่างๆมาประติดประต่อมาทำเป็นเรื่องตอนนี้เอาเรื่องของความวิเศษของพระพุทธศาสนาว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะ เป็นสิ่งที่วิเศษเท่ากับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เป็นของที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะวิเศษเท่าแต่ให้เป็นจรวดดาวเทียมวุธปรามานูสิ่งต่างๆที่เรามนุษย์เราผลิตขึ้นมาในโลกนี้ จะมีราคาแพงขนาดไหนจะทําอะไรได้มากมายขนาดไหนก็ยังไม่มีความวิเศษเท่ากับสิ่งที่พระพุทธศาสนาสามารถที่จะทําได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดมีอะไรกลับไป ก็ต้องไปทุกกับสิ่งที่มีใชมซื้อรถมาคันกี่ล้านกี่แสนมีเล่าสุขไม้มสุขกับมันล้ทุกข์กับมันต้องซื้อประกันภัยแล้วเวลาจอดก็ไม่รู้ว่ามันจะหายหรือเปล่าเวลาจะไปขึ้นรถเดินไปถึงที่จอดรถอ่ะมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วจะทำยังไง เ yeah. ของในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราไม่ทุกข์หรอกมีแต่จะทําให้เราทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่มันไม่แน่นอนได้มาแล้วมันไม่ได้สัญญาว่าจะอยู่กับเราไปตลอดนจะดีไปตลอดมไม่มีคําสัญญาเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ต้องเข้าอู่ซ่อม เขารับประกันได้ก็เพียงแต่ว่าถ้าเสียก็จะซ่อมให้แต่เขารับประกันไม่ได้ว่าไม่เสียซื้อมาแล้วไม่เสียไม่มีไม่มีของสินค้าชนิดใดที่เขาจะรับประกันว่าซื้อไปแล้วนี้จะไม่มีวันเสียจะใช้ได้ไปตลอดไม่มีมีแต่รับประกันว่าถ้าเสียก็จะเปลี่ยนให้ใหม่หรือซ่อมให้ใหม่ เห็ยการเห็นกาอะไรต่างๆที่มนุษย์เราผลิตขึ้นมาจะวิเศษขนาดไหนส่งยาณอาวากาศไปดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆส่งนักอาวากาศขึ้นไปรอยอยู่บนอาวากาศมันก็ไม่ได้ทําให้นักอาวากาศเหล่านั้นหรือคนที่ส่งยาอาวากาศเหล่านั้นไปนั้นไม่ให้มีความทุกข์อยู่ในใจก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิม ยังกลัวอยู่เหมือนเดิมยังไม่สบายใจอยู่เหมือนเดิมจึงไม่มีอะไรของในโลกนี้ที่มีคุณค่าวิเศษเหมือนกับพระพุทธศาสนาพระพระพุทธศาสนานี้ถ้าใครได้เข้ามาอยู่ในใจแล้วนี้จะไม่มีความทุกข์รับรองจะไม่มีความทุกข์ต่อไปไม่มีวันทุกข์ไปตลอดไม่มีวันสึ่งสุด มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่วิเศษที่เราได้เข้ามาสัมผัสกันแต่เรากลับไม่เห็นคุณค่าของความวิเศษของพระพุทธศาสนาเรากลับไปเห็นความวิเศษของรถของเครื่องบินของโทรศัพท์รุ่นใหม่มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดออกมานี่ โอ้ไปยืนเข้าแถวไปนอนเข้าแถวซื้อกันที่ว่าเป็นของวิเศษของวิเศษที่ทําให้ใจเราวุ่นวายมากขึ้นไม่ได้ทําให้ใจเราสงบไม่ได้ทําให้ใจเราสบายความหลงของพวกเรามองเห็นของวิเศษ ไม่เป็นไม่รู้ว่าของวิเศษนั้นเป็นอย่างไรจึงไปเอาของที่ไม่วิเศษมาเป็นของวิเศษข no ึ้นมาเห็นเขาโฆษณาอะไรวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้ก็อยากได้กันใช่ั้นเปิดทีวีดูเปิดหนังสัพพิมพ์ดูโฆษณาวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ แต่ไม่มีสินค้าชนิดใดก็โฆษณาว่าซื้อไปแล้วจะไม่มีความทุกข์ไม่มีไม่มีใครรับประกันว่าสินค้านี้ถ้าซื้อไปแล้วจะดับความทุกข์ภายในใจของท่านให้หมดไปแต่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องร้องหมร้องไห้ไม่ต้องเสีย อ, อกเสียใจยิ้มไปทั้งวันสุขหนอไปทั้งวัน ในพุทธประวัติเนี่ยก็มีเรื่องของเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีที่มีเงินทองซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแต่ก็บอกว่าไม่เคยไ้ไม่ได้เคยเจอความสุขเหมือนกับตอนที่มาเจอพระพุทธศาสนาพอได้มาบวชได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมได้พระศาสนาเข้าไปสู่ใจอดที่จะอุทานออกมาอยู่ไม่ได้สุขนาสุขนอ เดินไปก็บนไปสุกหนานั่งก็สุกหนายืนก็สุกหนานอนก็สุกหนาพระองค์อื่นเห็นแล้วก็สงสัยล้วพระรุ่นนี้บ้าหรือเปล่าทำไมเห็นแด้อุทานว่าสุกหนอสุกนาไม่มีสติหรือเปล่าเสียสติหรือเปล่าเพราะโดยปกติพระต้องสํารวม สัมมลกายนั้รวมมลมาราไม่พูดแต่นี่พูดอยู่เรื่อยอ ย, ยืนก็บอกว่าสุขเนาะนั่งก็ว่าสุขเนาะเดินก็ว่าสุขเนาะทำอะไรก็ว่าสุขเนาะสุขไปทตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกไปถามว่าเป็นยังไงไม่มีสติหรือไงเห็นก็บอกว่า เห็นท่านบ่นสุขหนอสุขหนอแล้วก็อธิบายว่าตั้งแต่ผมเกิดมาทั้งที่ผมเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีผมก็ไม่เคยเจอความสุขแบบนี้พอมาได้บวชมาได้ปฏิบัติได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแนละ้วมันบอกว่ามันสุขหนอสุขหนอรสแห่งธรรมชะนะรสทั้งปวงไม่มีรถอะไรในโลกนี้ ที่จะสู้รถแห่งทําได้ไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์รถบีเอมหรถอะไรก็ตามอต่นี้ไม่ใช่รถยนต์นะเอรารถก็คือรสชาติของต่างๆที่เราเสพกันเนี่ยมันมีรสชาติมีสุขมีมีสุขสุขมากสุขน้อยแต่บอกว่ารสชาติของธรรมนี่มันสุขมากกว่ารสชาติของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรสชาติของราบยศ ส, สรรัเสิญของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถึง แ, แม้จะเป็นความสุขมันก็เป็นความสุขแบบอยาขมเครือบน้ำตาลหวานหวานแล้วเดี๋ยวก็ขมขมแล้วเดี๋ยวก็หวานเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็หวานไปหมดสุขไปหมดแล้วเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งน้ำตาลความหวานก็จางหายไป ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ความขมก็เข้ามาแทนที่เยคือสุขที่เศรษฐีคนนี้บอกเคยได้สัมผัสถึงแม้จะเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองจะซื้อข้าวของต่างๆที่เขามีขายในท้องตลาดว่าวิเศษขนาดไหนก็ซื้อมาหมดละลองมาหมดละชิมมาหมดละก็ไม่เห็นวิเศษเหมือนกับรถแห่งทางอพอได้มาบวชได้มาปฏิบัติ ได้มาชำระกิเลสชำระความโลภความโกรธความหลงชำระความอยากต่างๆให้หมดไปใจก็สุขขึ้นมาที่หมอไม่มีความสุขอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบระงับจากการกําจัดความโลภความโกรธความหลงถ้าใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากแล้วใจมันจะสงบเย็นสบาย เนความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพออธิบายให้พุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็บอกใช้ได้ใช้ได้บนแบบนี้ไม่เป็นไรถูกต้องมันความสุขจนกระทั่งมันมันต้องระบายออกมาทางวาจาว่ามันสุขนึกเกินอยากจะให้คนอื่นรู้ว่านี่แหละลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงอยากให้คนอื่นได้มาสัมผัสได้มา ลิมรสแห่งธรรมนี้นี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้ใจของเรานี้ที่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆมาตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้จะหายทุกข์ไปหมดสิ่งต่างๆที่เราไปหามาเพื่อกำจัดความทุกข์ในใจเรานี้มันกำจัดไม่ได้กำจัดได้เดียวเดียวไปเที่ยวก็ ความทุกข์ก็หายไปซื้อรถมาใหม่ความทุกข์ก็หายไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวรถเสียความทุกข์มันก็กลับมาแล้วยังไม่ทันเสียแต่คิดว่าจะาไปจอดที่ไหนที่ปลอดภัยนี่มันก็มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วต้องซื้อรถมาแล้วก็ต้องหาบ้านให้มันอยู่ก็เลยทุกข์อีกแล้วทุกข์กับการไปหาที่จอดรถเองนะ อที่จะลถที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องทุกข์กับการซื้อประกันอีกะต้องเสียเงินเพิ่มอย่างเี้ซื้อมาแล้วไม่ซื้อประกันเดี๋ยวเกิดเกิดรถหายไปหรือรถชนเงินกาจะเดือดร้อนอีกทุกข์อีกเห็นไหมไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้เราสุขอย่างเดียวหรอกได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับความห่วงทุกข์กับความห่วงะ ได้อะไรมาก็หว่วงเลยไม่อยากจะให้ใครก็้อาไปใช่ไหอะไรเป็นของเราแล้วนี่ไม่อยากให้ใครก็เอาไปหรอกห่ ว, หวงห่วงตั้งแต่เป็นเด็กแล้วตอนเป็นเด็กได้ของเล่นมาก็หว่วงนะของที่ไม่มีคุณค่าราคาก็ยังห่วงสมัยเด็กๆ เ, เล่นก้อนหินกันยังห่วงก้อนหินเลยแล้วก็ห่วงไม่รู้จะเอาไปเก็บอาไปซ่อนไว้ไหน ก็ัวคนอื่นจะมาขโมยไปแล้วเวลาหายไปก็เสียดายพอมีอะไรแล้วมันจะมีทุกข์สามตัวมาตามมาทุกข์พาะห่วงทุกข์พ่ห่วงทุกข์พาะเสียใจเสียดายเวลามันหายไปไม่ว่าจะเป็นอะไรในโลกนี้มันต้องให้เราทุกข์เสมอเพราะเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอด มันจะดีไปตลอดความไม่มั่นใจนี้มันทำให้เรากังวลกันทุกข์กันห่วงกันอยู่นั่นห่วงยังไงก็ห้ามไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องก็ต้องจากกันอยู่ดีห่วงยังไงก็ห้ามไม่ได้ถึงเวลามันจะไปก็ไปนี่ยแหละคือวิธีดับทุกข์ของพวกเราคือเอาความทุกข์มาเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ทำให้ทุกข์มันน้อยลงพอมีอะไรก็มีความทุกข์เพิ่มขึ้กอันหนึ่งนะตอนต้นอยู่คนเดียวนี่ทุกข์ทุกข์กับตัวเราคนเดียวใช่ไหมพอได้อะไรมาก็ทุกข์กับสิ่งที่เราได้นะได้รถมาได้รถยนต์มาก็ต้องทุกข์กับรถยนต์นะได้แฟนมาก็ต้องมาทุกข์กับแฟนนะได้ลูกมาก็ต้องมาทุกข์กับลูกได้สมบัติอะไรมาก็ต้องมาทุกข์กับสมบัติ ทุกคนเราไม่รู้เราหลงเราไปคิดว่ามันจะทำให้เราสุขกันมันเราคิดว่าจะทำให้ความทุกข์ของเราหมดไปแต่มันไม่หมดมันกลับเพิ่มความทุกข์ให้กับเราไปอยู่เรื่อยๆสมัยก่อนเราก็ยิตอนเรียนหนังสือก็คิดว่าเรียนจบแล้วจะหายทุกข์พอเรียนจบชั้นมัธยมก็ต้องมาทุกข์กับ ต้องไปเรียนต่อยว่าต้องไปหาที่เรียนต่อยพอได้เลียงเรียนก็ต้องไปทุกกับการเรียนต่อยพเข้ามาหาอะไรก็ต้องไปทุกกับการเรียนพอเรียนจบหาอะไรคิดว่าความทุกข์จะหมดก็ต้องมาทุกกับการหางานทํำพอได้งานทํำก็คิดว่าทุกข์จะหมดก็ต้องมาทุกกับงานที่ทําองแล้วก็มาทุกกับความกังวลว่างานจะมีไปถึงไหนจะทําได้ถึงถึงเมื่อไหร่ จะถูกเขาไล่ออกเมื่อไหร่มันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเป็นมาเจอหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพออ่านแล้วถึงจะเข้าใจว่าอย่าไปหาเลยของในโลกนี้มันไม่มีทางที่จะดับความทุกข์ของเราได้ไม่มีอะไรในโลกนี้เพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่อนอนมันไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป อพอหมดไปเราก็ทุกข์กันใช่ไเราได้มาก็ดีใจกันแล้วพอมันหมดไปก็เสียใจในักเสวนเจ้าถึงเข้าใจใว่าพระเจ้าบอกว่าวิธีดับทุกข์ก็คือต้องไปนั่งเฉยๆทำใจให้สงบอย่าคิดอย่าอยากหยุดความคิดหยุดความอยากได้ ใจสงบแล้วจะมีความสุขนี่แหละวิธีดับทุกที่ทแท้จริงพระพุทธเจ้ายืนยันนอนยันรับประกันสว่าขาโตพระกตาธโมทำที่พระเจ้าทรงตัดสอนนี่ถูกต้องเม่นยําทุกประการสอนว่าดับทุกได้วิธีของพระพุทธเจ้านี่ดับทุกได้พระพุทธเจ้าได้พิสูจน์มาแล้วด้วยตนเอง เมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็หาวิธีดับทุกข์ด้วยวิธีที่พวกเรากําลังหากันเนี่ยหาเงินหาทองหาตําแหน่ง<ะ>หายศ<ะ>หาสารรเสริญ<ะ>หาลูกเสียงกินรดท่านก็หามาแล้วหายังไงมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่หาย<ะ>ทุกข์มันก็ตามมาอยู่เรื่อยๆ<ะ>พระพุทธเจ้าก็เลยไปเห็นคนนักบวชก็ ก็เลยได้ยินว่าเขาหาวิธีดับทุกข์อีกวิธีดับทุกข์โดยที่ไม่ต้องมีอะไรก็เลยไปทดลองดู ก, ก็ได้ได้พบกับวิธีดับทุกข์ไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิใจสงบมีความสุขเย่ยความทุกข์หายไปไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมี สามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องมีใครมายกย่องสรรเสริญเยินยอไม่ต้องมีหนังให้ดูไม่ต้องมีเพลงให้ฟังไม่ต้องมีขนมให้กินไม่ต้องมีเครื่องดื่มให้ดืม่มก็มีความสุขได้แล้วต้องการเมื่อไหร่ก็สามารถทำมันขึ้นมาได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ สุขถาวรท่านั้นเองสุขชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิเวลาจิตสงบแต่เดี๋ยวก็ต้องออกจากสมาธิเพราะร่างกายเดี๋ยวมันก็ปวดฉี่แลเดี๋ยวมันก็หิวข้าวะเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ต้องออกมาดูแลร่างกายออมาดูแลร่างกายก็มาทุกกับร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวมันต้องแก่แล้วเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วย เดี๋ยวมันต้องตายความทุกข์ที่หายไปขณะที่นั่งสมาธิก็กลับมาไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ไม่ทุกข์หลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วไปศึกษากับอาจารย์ที่เก่งที่สุดที่มีอยู่ในสมัยนั้นท่านก็ไม่สามารถสอนให้ดับความทุกข์เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิแต่อยากจะดับความทุกข์ก็ต้องเข้าสมาธิเท่านั้นเอง แต่พระองค์ยังเห็นว่ายังไม่พอมันต้องดับได้ตลอดเวลาไม่ต้องเข้าสมาธิก็เลยต้องไปค้นคว้าด้วยตนเองทดลองลองผิดลองถูกจนในที่สวยก็ค้นพบว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของพระองค์เองพออยากกับอะไรแล้วมันทุกข์ทันทีพอมีอะไรก็อยากให้มันดีอยากจะให้มันไม่เปลี่ยนแปลง อยากจะให้มันไม่ดับแต่มีอะไรแล้วเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันต้องดับแต่พอยอมรับ ว, ว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องดับไม่มีความอยากให้มันไม่ดับความทุกข์ก็หายไปเมื่อก่อนนี้ทุกข์กับร่างกายเพราะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่พอมามองความจริงของร่างกายก็เห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อยากยังไงมันก็ห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้หยุดความแก่ไม่ได้หยุดความเจ็บไม่ได้หยุดความตายไม่ได้ก็เลยยอมยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายพอยอมเท่านั้นมันก็หายหายทุกเลยเวลาแก่ก็ไม่ทุกเวลาเจ็บก็ไม่ทุกเวลาตายก็ไม่ทุกพระพุทธเจ้าเลยได้ส่งคนพบวิธี ดับทุกโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินดับด้วยปัญญาแต่ปัญญาตามลําพังถ้าไม่มีสมาธิสนับสนุนก็จะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้อย่างพวกเราตอนนี้ยได้ยินได้ฟังแล้วว่าความทุกข์ของพวเราเกิดจากความอยากลองไปหยุดความอยากดูสิหรือหยุดได้ไหมอยากไม่แก่หยุดมันได้ไหม อยากไม่เจ็บหยุดมันได้นหะเพราะเราไม่มีกำลังหยุดนะถ้าเราสร้างกำลังหยุดขึ้นมานะพอถึงเวลามันอยากจะไม่แก่เราก็หยุดมันได้อยากไม่เจ็บเราก็หยุดมันได้อยากไม่ตายเราก็หยุดมันได้กำลังก็คือสมาธิสมาธิจะเกิดได้ก็ต้องมีสติ สตินี้จะหยุดความคิดพอหยุดความคิดได้ความอยากมันก็หยุดทำงานเพราะความอยากมันอาศัยความคิดเป็นผู้นำแต่ตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงอะไรเราแล้วไม่มีความอยากกับอะไรเดี๋ยวพอไปคิดถึงลูกเดี๋ยวก็อยากนะอยากให้ลูกดีอยากให้ลูกเรียนเก่งถ้าไปคิดถึงคนที่คนเจ็บ ก, ก็อยากจะให้เขาหายนี่ แต่ถ้าไม่คิดมันก็มันก็ไม่มีเรื่องที่จะทําให้อยากมันต้องมีเรื่องโผล่ขึ้นมาก่อนต้องมีคนเสนอเรื่องขึ้นมาเสนอเรื่องคนนี้จะเอาไงดีงคนนี้พอคิดถึงคนนี้ถ้าชอบก็อยากจะให้เขาอยู่ไปนานๆถ้าเกลียดก็อยากให้เขาตายไปเร็วๆพอก็ไม่ตายก็ทุกข์พอคนที่เราชอบตายไปก็ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไปคิดถึงเขามันเราก็จะไม่ทุกข์ ตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงใครตอนนี้เราฟังธรรมะอยู่ใจเราเลยสบายใจยเราเลยไม่ทุกข์กับอะไรเออน่าเราต้องมาหัดควบคุมใจของเราอย่าให้คิดถ้าไม่คิดแล้วมันจะไม่อยากเวลาเราทุกข์นี่แสดงว่าเราอยากแล้วเราคิดแล้ววิธีแก้ก็หยุดมันหยุดความคิดซะ เราไม่สบายใจอย่าไปแก้กับคนที่ทำให้เราไม่สบายใจแก้ยังไงก็ไม่หายคนที่เขาด่าเราเนี่ยไปไปแก้ที่เขาบอกขอร้องอย่าด่าเราได้ไหมพูดดีๆกับเราได้ไหมไม่ได้หรอกเขาจะด่าเราไม่ขอให้เขาพูดดีเขาก็ไม่พูดดีไปด่าเขาเขาก็ยิ่งกลับด่าเราใหญ่งั้นอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปแก้ที่เขาแก้ที่เรา เราทุกขพราะเขเราอยากให้เขาไม่ด่าเราเราก็อย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปคิดถึงคําด่าของเขาเรากลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธของเราไปถ้าเราหยุดความคิดของเราไม่ได้เราก็ต้องใช้พุโทโธหยุดนะถ้าต่อไปเรามีสติแล้วพอเราจะไม่คิดถึงมันก็ไม่คิดถึงมันใครจะดา่าก็ไม่สนใจไม่คิดถึงมันมันก็ไม่เข้ามาในใจเรา เราความคิดเราเนี่ยไปดึงเอาไฟเข้ามาในใจเราโดยไม่รู้สึกตัวพอคิดถึงเขาคิดถึงเขาด่าเราเขาด่าเราตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะตอนนี้ยังทุกข์อยู่เลยถ้ายังคิดถึงเขาอยู่คิดถึงคำด่าของเขาอยู่เราตอนนี้เราขาดสติเราควบคุมใจเราไม่ได้ควบคุมความคิดเราไม่ได้ความคิดเรานี่มันเป็นนายเราไม่ใช่เราเป็นนายมัน มันเป็นคนสั่งเราใชสั่งให้เราไปเอากาแฟไปแล้ ว, ลวสั่งให้เราไปเอาขนมไปแล้วไม่เคยต่อสู้กับมันเลยไม่เคยฝืนคําสั่งเลยแต่มันไม่ยอมขัดขัดคําสั่งสใช่ไหมสั่งให้ไปเอากาแฟมาก็ไม่เอาสั่งให้ไปเอาขนมมาก็ไม่เอาสั่งให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปกูจะอยู่เฉยๆลองหาเก้าอี้สบายๆ ส, ส, สักตัวนั่งแล้วบอกวันนี้จะนั่งเฉยๆสักหกชั่วโมง จะต่อต้านขัดขืนคําสั่งขัดขืนความอยากสักหกชั่วโมงดูดูจะทําทได้อหมนั่งอยู่นะถ้าเมื่อยก็ยืนนุกขึ้นมายืนตาหายยืนแล้วเมื่อย ก, ก็กลับไปนั่งใหม่้าหิวน้ําก็เอาน้ําวางไว้ข้างๆดื่มน้ําไปหิวน้ําก็ดื่มน้ําไ ป, ไปถ้าปวดฉี่ก็กระโถนมาตั้งไว้ตรงนั้นมันจะได้ไม่มีข้ออ้างมันจะไปนู่นมานี่เดี๋ยวมันก็อยากไปนู่นขึ้นมา ไปแล้วมันก็จะแวบไปที่อื่นต่อปวดฉี่พอไปเข้าห้องน้ำเสร็จเดี๋ยวเดินออกจากห้องน้ำมันจะแวบไปที่นูนะ่นแล้วโดยไม่รู้สึกตัวมันหลอกเราได้อย่างที่เราไม่ได้หลับตาเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเรานอนหลับอยงนี้นอนหลับบางทีเรายังเดินนอนตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวว่าตื่นเดินไปทําอะไรยังไม่รู้สึกตัวเพราะไม่มีสตินะลองลองขัดคําสั่งดู เราจึงไงรู้ว่าใครเป็นนายกันนะมันเรื่องเราเป็นนายกันทุกวันนี้มันเป็นนายเราเราสู้มันไม่ได้มันกำลังมันมากกว่าพอมันสั่งให้ไปเปิดทีวีไปแล้วสั่งให้ไปเปิดตู้เย็นไปแล้วน้องขอขอต่อต้านขอขัดคินคำสั่งทั้งวันไม่ได้เราชอบขัดเคินคำสั่งกันไม่ใช่เหรอ เวลาพ่อแม่สั่งอะไรชอบคืรนชอบขัดเนยเวลาครูสั่งให้ทํานู่นทํานี่ชอบขัดกันเนี่ยแ้่ไม่มาขัดกลยตัวนี้ไอ้ตัวนี้สําคัญกว่าชนะตัวนี้ดีกว่าไปชนะคนอื่นพุทธเจ้าบอกชนะตนดีกว่าชนะคนอื่นชนะคนอื่นเป็นล้านเป็นแสนครั้งก็สู้ชนะตนเพียงครั้งเดียวไม่ได้ชนะกับคนอื่นก็ไปทําให้คนอื่นเขาเกลียดเราะ เป็นศัตรูกับเราใช่ไหมเขาชนะเราเราก็เกลียดเขาเป็นศัตรูกันแต่ชนะเรานี่ใจสงบชนะความอยากขัดขืนคําสั่งได้ใจสงบนิ่งสบายไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครใครด่าเราอยากจะไปด่ากับก็อย่าไปดา่าอย่าไปยกักอยู่เฉยๆหยุดตอบโต้ยอมหยุดเย็น รู้จักสูตรสามยอมไหมยอมยอ ม, ยอมแพ้ไงใครจะด่าล้วก็ยอมแพ้ปล่อยมึงด่าไปเดี๋ยวมึงเมื่อยมึงก็หยุดเองอะปล่อยมันปากเปียกปากชีกดด่าไปเราทําตัวเป็นต้นเสาดูเลยลองไ่ด่าต้นเสาดูเลยด่าไปสักพักเดี๋ยวก็ไม่อยากจะด่าเองอะมันไม่ตอบโต้ใช่ไหมถ้าเราทําตัวเราเป็นต้นเสานำ้ำไม่รู้ไม่ชี้ด่าก็ด่าไป เฉยไม่ตอบไม่โตอะไรพุทโธพุทโธของเราไปถ้าเฉยไม่ได้ก็พุทโธพุทโธของเราไปเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็หยุดด่าแล้วจะไม่กลับมาอีกถ้าด่าด่าแล้วเขด่าเราเราด่ากลับเดี๋ยวเราเถียงกันไปเถียงกันมาด่ากันไปด่ากันมาอถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ตีกันก็อาจจะเมื่อยก็อาจจะหยุดแล้วก็เดินหนีไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าก็ด่า ยังไม่สะใจดา่ายังไม่อิ่มพอเขาดา่าเราเราก็ด่ากลับมึงกูมึงมันก็ดาก่กกดากันไปด่ากันมาอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> แต่ถ้าก็ด่าเราเราเฉยๆดูฝ <Yeah. S 1> ืนเอาชนะความอยากความอยากที่จะไปตอบโต้เขา <Yeah. S 1> ความอยากที่จะไปต่อสู้กับเา้า <Yeah. S 1> เอาชนะความอยากตัวนี้ดีกว่า <Yeah. S 1> แล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบาย ถ้าเราไปต่อสู้กับเขานี่ใจเราจะร้อนถ้ายังไม่ได้ชนะเขาจะร้อนพอชนะเราก็จะเย็นเดียวเดียวหายร้อนเดียวเดียวเดี๋ยวก็ร้อนขึ้นมาใหม่ร้อนเพราะกลัวเขาจะกลับมาเอาชนะเราบ้างเขาต้องม า, าล้างแค้นเราแน่ น, นอนใช่ไหมเราไปทำร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาทำร้ายเรา เวรย่อมไม่ละ ง, งับด้วยการจองเวรอุตตะเจ้าบอกเวรยอมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรคือยอมยอมแพ้ยอมใครเขาจะดา่าอะไรก็ปล่อยเขาด่าไปให้ถือหลักให้คิดแบบนี้ท่านบอกถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ดา่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเรา ถ้าเขตีเราว่าคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราเขาคิดว่าดีแล้วอยู่ไปทําไมอยู่ไปก็มีแต่ทุกข์เนี่ยทุกข์กับมันอยู่ตลอดเวลาต mm hmm. ายมันมันได้สบายไม่มีร่างกายแล้วนี่สบายไม่ต้องหากินนะี่นะวันๆหนึ่งมันต้องทำมาหากินเหนื่อเหนื่อยเมื่อยล้าเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนลี้ยงใ้ร่างกายนีแ่แล้วก็ต้องมาดูแลรักษามันคอยเฝ้าคอยปกป้องรักษาภัยต่างๆ ที่จะมากระทบก AH ับร่างกายเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื Brother ่อยมีร <c ces> ่างกายมีร่างกายกับไม่มีร่างกายอันไหนสบายกว่ากันนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ถ้าไม่มีร่างกายเพราะท่านรู้ว่ามันเหนื่อยร่างกายนี้มันภาระเป็นภาระหนักอย่างยิ่งท่านว่าภาระหาเวปัญจักขันธาขันคือรูปประขันเนี่ยร่างกายนี่คือรูปประขันเป็นภาระหนักอย่างยิ่ง ไม่มีแล้วกลับสบายแล้วก็ความตายยังไงก็หนีไม่พ้นอยู่ดีไม่ตายวันนี้ไม่ตายเพราะเขาฆ่าเรามันก็ต้องไปตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งยงนันถ้าเขาอยากจะฆ่าเราก็ปล่อยเขาฆ่าไปาแล้วเราก็จะสบายไม่มีร่างกายต้องมาเลี้ยงดูคิด<ไห>อย่างนี้แนละ้วเราก็จะยอมแพ้ได้เราก็จะอยู่เฉยๆได้ แล้วใจเราจะเย็นจะสบายเราจะแผ่เมตตาให้เขาได้เอาสาธุอยากจะทำอะไรทำไปเดี๋ยวก็ไปรับกรรมเองทํากับเราแล้วเดี๋ยวเขาก็ติดใจไปทํากับคนอื่นเดี๋ยวไปเจอคนอื่นที่เขาไม่ยอมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฆ่ากันตายเองนี่คือเรื่องของความอยากที่พระเจ้าส่งคนพบว่า เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วไม่มีอะไรในร่องนี้ที่จะมาดับความทุกข์อันนี้ได้หยุดความอยากอันนี้ได้นอกจากสติกัะปัญญาสองตัวนี้ปัญญาก็ให้รู้ว่านี่แหละความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากต้องหยุดความอยากให้ได้แล้วผู้ที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสติถ้ามีสติพออยากปุ๊บก็หยุดมันได้ถ้าไม่มีสติก็หยุดมันไม่ได้ อันนี้พวกเราไม่มีสติกันพออยากอะไรปั๊บก็ต้องไปทําตามความอยากแล้วก็ไม่มีปัญญาด้วยไม่รู้ว่าการไปทําตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์มาให้กับตัวเองพอได้มาแล้วทุกข์ไหมล่ะของที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นบุคคลพอได้มาแล้วต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอน เราไม่มีปัญญากันเราก็เห็นว่าได้มาแล้วจะมีความสุขกันก็เราอยากได้กันเห็นเขามีก็อยากจะมีเหมือนเขาคิดว่าเขามีแล้วมีความสุขแต่เวลาเขาทุกข์เรามองไม่เห็นเวลาเขาทุกขทุกข์กับสิ่งที่เขามีนี่เรามองไม่เห็นเราเห็น <relev ancy> แต่ตอนนี้เ็ามีความสุขกับสิ่งที่เขามี <vardır> <polling. S 1> เราก็เลยอยากจะมีตามเขาเพราะเราไม่มีปัญญา มองไม่เห็นว่าสิ่งที่ให้ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการหมดไปมีการดับไปสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาทุกอย่างถ้ามีมาแล้วก็ต้องมีไปไม่มีมาแล้วจะอยู่ไปตลอด เราก็ต้องไปงนั้นขอให้เรามาสร้างสองตัวนี้กันสติสติก็คือหยุดคิดหยุดอยากปัญญาก็คือเป็นผู้คอยสอนว่าทำไมต้องหยุดคิดหยุดอยากเพราะว่าหยุดไม่ไม่หยุดคิดไม่หยุดอยากมันจะไม่เจอความสุข ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การหยุดคิดหยุดอยากและสิ่งที่เราอยากได้ก็ทำให้เราทุกข์ใช่ไได้อะไรมาแล้วทุกข์ไหมเมื่อก่อนไม่มีร่างกายก่อนที่จะมาเกิดไม่มีร่างกายตอนที่ยังไม่ได้เกิดนี่กำลังเป็นเทวดาอยู่สบายกว่าเห็นเทวดาไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องคอยมาหาอาหารให้ร่างกายไม่ต้องมาคอยอาบน้ำให้ร่างกาย ไม่ต้องคอยออกกําลังกายไม่ต้องคอยอะไรเป็นเทวดาก็เพลิดเพลินกับลูกทิพย์เสียงทิพย์ไปไม่ต้องใช้ร่างกาย<ม>พอไม่มีร่างกายพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ร้องแลรนะ้ลองแนละโอ้ต้องหายใจแล้วนี่เนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราหายใจกี่ครั้งแล้วไหมแล้วหยุดไม่ได้นะถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้น ถ้าี้เกียจหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นต้องขยันหายใจกันนะอ่านี่คือความทุกข์พอได้อะไรมาก็ทุกข์ทุกข์อันแรกก็คือร่างกายของเราเนี่ยต้องมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอ่าแล้วพอร่างกายโตแล้วก็ไปหาของมาเพิ่มเป็นความทุกข์เพิ่ออีกหาเงินทองอ่า พอได้เงินทองมาก็ต้องมาทุกกับเงินทองสมัยเด็กๆไม่ต้องทุกกับเงินทองไม่ต้องใช้เงินทองไม่ทุกใช่ไหมสมัยเด็กๆไม่มีเงินทองก็ไม่ทุกไม่ทุกกับเงินทองแต่พอมีเงินทองนี่แล้วทุกข์เลยทุกเพราะว่าเวลาเงินมันหมดเวลาใช้เงินหมดเงินไม่พอใช้มันก็ทุกขึ้นมาสมัยก่อนไม่ต้องใช้เงินก็เลยไม่ทุกอยู่ไปตามมีตามเกิด พ่อแม่ให้อะไรก็เอาอย่างนั้นพ่อแม่ให้ไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรอยู่ได้ใช่ไหมแต่พอมีเงินทองของตัวเองแล้วต้องซื้อนู่นซื้อนี่แล้วนี่ซื้อของกินของเล่นกันแล้วเนี่ยซื้อขนมซื้ออะไรต่างๆแล้วพอเงินขาดมือขึ้นมาซื้อไม่ได้ซื้อก็ทุกข์แลเนี่ยเคยซื้อของกินอยู่เคยซื้อขนมกินทุกวัน พอเวลาเงินไม่มีซื้อขนมก็ทุกกันละไปเที่ยวกันทุกวันใช้เงินไปเที่ยวกันไปตามบาร์ตามผับไปตามร้านอาหารเอไปตามอะไรสถานที่มันเทิงต่างๆมันก็ต้องใช้เงินพอไม่มีเงินใช้ทำไงานก็ทุกกันไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกกันละอยู่บ้านก็รู้สึกว้าเหว๋ห้เหงา แล้ว เ, เพิ่มความทุกข์ขึ้นมาเลยได้เงินแล้วขั้นต่อไปก็ได้ยศอะไรได้เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอาก็ทุกข์กับตําแหน่งแล้วเพว่าไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าหรือจะถูกปลดถูกเลื่อนขั้นลงหรือเปล่าถูกโยกย้ายหรือเปล่าเป็นาาการราชการเป็นเป็นบุจ้างรเขาเขาให้ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับนั้นระดับนี้เดี๋ยววันดีขึ้นดีโยกย้ายให้ไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ต้องไป ก็อยู่ที่นี่สบายเดี๋ยวก็ย้ายไปต่างจังหวัดนู่นไปชายแดนก็ทุกข์แล้วไหมเมื่อก่อนไม่มีตําแหน่งก็ไม่ทุกข์ใช่เมื่อก่อนไม่ได้รับจ้างเขาไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีตําแหน่งเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ของเราได้พอไปรับราชการได้ตําแหน่งเดี๋ยวก็ย้ายเป็นนายอำเภอเดี๋ยวอยู่อำเภอนี้เดี๋ยวย้ายไปอเภอนั้น เป็นตำรวจเดี๋ยวอยู่จังหวัดนี้เดี๋ยว ย, า ย, ย้ายเป็นจังหวัดโน้นโยกย้ายกันแล้วนะถ้าไม่ได้เวลาไม่ได้ขึ้นขั้นไม่ได้เลื่อนขั้นก็เสียใจอย่าไปหาเรื่องใส่ใส่ตัวเองหาความทุกข์ใส่ใจมานะเวลาเกิดมาใหม่ๆไม่มีความทุกข์เหล่านี้เลยความทุกข์ใหม่ๆอยู่ที่ต้องหายใจเองเนอะ ออกมาจากท้องแม่เนี่ก็ทุกข์ว่าต้องหายใจเอ ง, องเวลาอยู่ในท้องแม่แม่ก็ช่วยหายใจให้ช่วยหาอาหารให้ช่วยกินอาหารให้พ อ, อโตขึ้นมานี่ต้องกินเองแล้วต้องเคี้ยวเองต้องกลืนเองต้องดื่มเองแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็ปวดท้องถี่ปวดปัสสาวะปวดอุจจาระ เ, าเรื่องมันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ ไปบรรเทาทุกข์ใช่ไหมพี่ไปเข้าห้องสุ ข, ขาเ <c oughs> นี่ย <c oughs> มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นชีวิตของพวกเราไม่มีร่างกาย้าอย่างนั้นมันสบายไปหมดตัดปัญหาไปได้เยอะเลยพ <c oughs> อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาทำงานไม่ต้องไปเรียนหนังสือ <c oughs> ไม่ต้องไปหาเงินหางานแล้วพอได้เงินมาก็ไม่ก็ต้องไปเที่ยวอีกใช้เงินอีก พอใช้เงินหมดก็ทุกข์อีกมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเอ <Yeah. S 1> ็นเวลาใครเขาจะให้เราตายก็ดีแล้วตายก็ดีจะได้สบาย <Yeah. S 1> ไม่มีร่างกายแล้วสบาย <Yeah. S 1> เวลาตายก็เหมือนกับเวลานอนหลับดีๆนี่เอง <Yeah. S 1> เวลานอนหลับเราทําร่างกายทําอะไรไหรือเปล่าร่างกายก็เหมือนสราส้างศพใช่ไหมตอนนั้นเองแต่มันยังหายใจได้นั่นเอง <Yeah. S 1> เป็นสราส้างศพที่หายใจได้ <Yeah. S 1> เวลาคน คนนอนหลับเนี่ยไปดูเลยไปสังเกตดูคนนอนหลับเดียวลางจากซากศพเนียถ้าไม่ได้ยินเสียงกรนอาจจะคิดว่าตายก็ได้บางทีต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะรู้ว่าออกมันยังหายใจอยู่ <c oughs> เนี่ยเวลาตายก็เหมือนตอนนอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วแต่เรายังไปต่อเรายังไปหาความสุขไปเที่ยวได้นะเวลานอนหลับก็ฝันใช่ไหม ฝันว่าไปเที่ยวที่นั่นฝันว่าไปเที่ยวที่นี่ถ้าเราทําบุญทําความดีเราก็จะฝันดีแต่ถ้าเราทําบาปเราก็จะฝันร้ายฝันแต่มีแต่เรื่องมีแต่มีแต่เรื่องเล่ามีแต่ปัญหามีแต่ภายรอบตัวแต่ถ้าฝันถ้าทําบุญนี่ก็จะฝันดีมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราคนนั้นชวนเราไปเที่ยวคนนี้ซื้อของมาให้เรา ให้ความสุขกับเรานละเวลาตายไปเราก็จะไปฝันกันฝันยาวหน่อยฝันจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอมาเกิดใหม่เราถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเรายังใช้ร่างกายอันเก่าอยู่ร่างกายอันเก่ายังไม่ตายก็ฝันไม่นานฝันค่เจ็ดแปดชั่วโมงนอนหลับเจ็ดแปดชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาก็กลับเข้ามาที่ร่างกายอันเก่า ใ น, นความจริงเราตายทุกวันเกิดทุกวันแลน้วนานๆก็จะตายแบบไปเปลี่ยนร่างกายสักครั้งนึงพอร่างกายนี้แก่อยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ก็จะตายแบบไปเปลี่ยนร่างกายเป็นนอนหลับแบบเปลี่ยนร่างกายคือ น, นอนหลับแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ร่างกายอันเก่าแล้วมาได้ร่างกายอันใหม่พอออกมาจากท้องแม่ก็ร้องหลืมตาตื่นขึ้ น, นมาแล้ว ระหว่างที่กําลังรอร่างกายอันใหม่ก็เหมือนกับฝันไปฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันร้ายก็เป็นอบายออนี่คื อ, อชีวิตของเราถึางไม่น่าจะต้องกลัวตายออถ้าเราเข้าใจความตายว่าเป็นเหมือนการนอนหลับ เ, ออเป็นการนอนหลับแล้วฝันยาวๆอาจจะเป็นร้อยปีพันปีก็ได้ ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรมนี่มันเป็นเป็นพันปีก็นะ้วกว่าจะมาได้ร่างกายอันใหม่ถ้าเราเข้าใจนี้แล้วเราก็จะทำให้เราไม่กลัวตายยอมตายเราก็จะเอาชนะความอยากของเราได้ไม่ตอบโต้ใครยอมแพ้ก็อยากจะทำอะไรก็ทำไปอยากจะด่าดก็ด่าดไป อยากจะตีก็ตีไปอยากจะฆ่าก็ฆ่าไปไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนทั้งคนที่ตีเขาฆ่าเขาก็ต้องตายเหมือนกันไม่ต่างกันหรอกคนที่ฆ่าเขาตีเขาในเวลาตายมันจะฝันร้ายจะไปฝันว่าถูกเขาตีถูกเขาฆ่าแทนมันจะสลับฉากกันเคยทำร้ายใครไว้เวลานอนหลับฝันไปนี่มันจะพลิกกลับเป็ น, น เป็นการผิถูกเข้ามาทำร้ายเราแทนเนี่ย mm hmm. ไอ้แม่วันก่อนนี่ก็มาเล่าว่าพวกมือเปิร์นเนี่ยที่ไปรับจ้างฆ่าคนเนี่ยเวลาเวลาตัวเองอยู่คนเดียวเนี่ยหวาดกลัวหวาดกลัวกลัวคนอื่นก็จะมาฆ่าตัวเอง mm hmm. เนี่ยมันจะพิกกลับมาหาเราเวลานอนหลับมันจะฝันว่ามันจะจะมีคนมาฆ่าเราเพราะเราไปฆ่าเขา เขาก็จะกลับมาฆ่าเราในทางตอนกันข้ามถ้าเราทำบุญทาความดีกับคนอื่นเวลานอนหลับมันก็จะฝันสลับฉากกลับมาฝันมีแต่คนมาทำความดีให้กับเราเราเคยช่วยใครเขาก็จะมาช่วยเราเราเคยให้อะไรใครเขาก็จะมาให้อะไรเรานี่คือจิตใจของเราที่ไม่มีวันตายมีแต่ฝันดีฝันได้ไปตามบุญตามบาปที่เราทำกัน แ้วถ้าจะให้มันดีกว่านี้ถ้าไม่ให้มันฝันเลยก็ต้องหยุดหยุดความอยากหยุดความคิดถ้าทําลายความอยากหยุดความคิดได้เวลานอนหลับไม่ฝันนะถ้าเวลาไม่มีร่างกายแล้วมันไม่ฝันนะนิพพานยพระพุทธเจ้าพระสาวกเนี่ยไม่ฝันดีไม่ฝันร้ายฝันดีก็สวรรค์ชั้นต่างๆฝันร้ายก็อบายช่องต่างๆพอไม่ฝันก็เป็นนิพพานไป จิตที่ไม่ไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความอยากต่างๆมันก็จะสงบไปตลอดดงนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากพระพุทธศาสนานอกจกนั้นมีแต่จะสร้างความทุกข์ของของพวกเราให้มีมากขึ้นไม่ใช่มีน้อยลง ถ้ามันทำให้น้อยลงคนที่เขามีแล้วเขาสละอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็มีเงินมีทองเยอะแยะแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่ามันทุกข์มากขึ้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่สุขมากขึ้นมันทุกข์มันกลับทุกข์มากขึ้นก็เลยไม่มีมันดีกว่าไปอยู่แบบไม่มีอยู่แบบขอทานแบบเศรษฐี เวลามีทรัพย์สมบัติกับเครียดกับทรัพย์สมบัติเงินทองต้องคอยบริหารจัดการคอยดูแลคอยหามาเพิ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับกับสมบัตินอนอยู่บนกองสมบัติแต่ห่วงสมบัติห่วงจนนอนไม่หลับหวงสมบัติพอไม่มีสมบัติแล้วใจกับสบายพอมาบวชแล้ว ตัดความอยากได้สมบัติไปใจกับสุขหนอสุขหนอ ข, ขึ้นมาอันนี้ไม่มีใครมาสอนให้พวกเราสละทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่สอนให้หากันเยอะยๆวันนี้ก็หากันเนี่ยวันนี้วันหวยออกอันเนี้ยเช้านี้ก็มาขอพรกันถามตัวเลขกันอายุเท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่ แล้วก็เอาไปเอาไปทางหวยกันจะได้ถูกหวยเดี๋ยวนี้ถูกหวยก็ดีใจไปสองสามวันเดี๋ยวเงินก็หมดพอได้ามาไม่กี่วันไปซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวไปกินไปใช้อะไรเดียวก็หมดเดี๋วงวดหน้าก็ต้องมาขอหวยใหม่แล้วพอไม่ถูกก็เสียใจเนี่ะมนุษย์เราโง่ไหมโง่หรือฉลาด ความสุขที่แท้จริงไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของตัวเองนี่แหละทําใจให้สงบเแต่อยู่ความคิดอยู่ความอยากเราจะไม่มีความสุขกันใดที่จะดีเท่ากับความสุขอันนี้นัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นเหนือกว่าความสงบไม่มีทําใจให้สงบเแอะสงบได้ก็ต้องมีสติมีปัญญา มีสติก็สงบชั่วขา่าวเวลานั่งหลับตาเข้าสมาธิไปด้วยสติเวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่ใช้ปัญญาเดี๋ยวก็ความทุกข์ก็เกิดได้ความอยากก็จะเกิดได้พอ เ, เกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนมาว่าอย่าอยากหยุดอย่าไปอยากได้มาแล้วจะทุกข์ไม่ใช่สุขหรอกได้แล้วเดี๋ยวก็ทุกข์เวลาได้เวลาอยากว่าไม่ได้ก็ทุกข์ อย่าไปอยากมันดีกว่าหยุดความอยากพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราอยากพอไม่คิดถึงเดี๋ยวความอยากนั้นก็หายไปความสุขก็กลับมานี่คือสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้สอนมีศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นที่สอนว่าอเราต้องมาหยุดความอยากกันให้ได้ ต้องละความอยากและการจะละความอยากได้เราต้องมีสติมีปัญญาสติเป็นตัวหยุดปัญญาเป็นตัวบอกเหตุผลให้ฟังว่าทําไมต้องหยุดเหมือนเด็กนี่บางทีบอกมันว่าอย่าไปจับไฟมันไม่เชื่อหรอกต้องบอกว่าทําไมต้องอย่าไปจับไฟเพราะจับแล้วมันจะเจ็บแต่ถ้ามันยังไม่เชื่อก็ให้มันไปจับดูมันจะได้รู้ว่าเป็นยังไง ถ้ามันอยากแล้วมันยังไม่เชื่อก็ปล่อยมันอยากดูแล้วเวลาเจอความทุกข์เราจะได้บอกมันสมน้ําหน้าไหมบอกวอยากไปมีอยากไปมีแฟนอยู่คนเดียวสบายแล้วอไม่เชื่ อ, อไปลองไปดูมีแฟนดูแลดูซิว่ามันจะทุกข์หรือไม่ทุกเวลามีแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่ๆก็รักกันก่อนกันเดี๋ยวต่อไปก็ตีกัน บางคนเอามาฟ้องพระถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยถูกก็ตบถูกก็ตีหน้าบูดหน้าเบี้ยวมาฟ้องเราทำไมเราก็บอกแล้วว่าไม่อยากไปมีแฟนแล้วไม่เชื่อนี่แหละไม่เชื่อกันดือ้อไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการอยู่คนเดียวอยู่กับความสงบมีอะไรแล้วจะต้องทุกข์กับมัน ทุกช้าทุกเร็วทุกมากทุกน้อยทั้งนั้นเองเดี๋ยวความทุกข์มันต้องตามมาถ้ารักกันมันก็ทุกข์เพราะห่วงกันเองห่วงกันเองแล้วเวลาจากกันก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ถ้าทะเลาะกันเกลียดกันอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขอยู่กันก็เป็นคู่กัดกันกัดกันอยู่เวยอยู่คนเดียวแล้วจะไม่มีปัญหา เหมือนกับคนที่เขาคนที่มีคู่มีปัญหากันะคนมีคู่นี่เขาก็มีปัญหาของเขามีทุกข์ของเขาพ mm hmm. อ, อไม่มีแล้วถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะไม่มีแต่อยู่คนเดียวก็ไม่รู้อีกว่าเขามีทุกข์กันแบบไหนต้องไปทดลองดูท <c oughs> ีไปทดลองมันมันมันมันไม่ใช่จะเลิกกันง่ายๆนะสิพ อ, อไปติดกับแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ออกมาได้ง่ายๆ <c oughs> งั้นมางทีอย่าไปลองดีกว่าเชื่อคนที่เขาผ่านมาแล้วดีกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านผ่านมาทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รับสมบัติท่านก็มีแล้วตําแหน่งอะไรต่างๆท่านก็มีแล้วสรรเสริญเยินยอท่านก็มีแล้วลูกก็มีสาภรรยาก็มีแล้วความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายท่านก็มีแล้วท่านพิสูจน์แล้วเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้น เช่แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์แต่ถ้าไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องไปทุกข์เอาเองทุกข์แล้วไม่รู้จะออกมาจากกองทุกข์ได้หรือเปล่าเวลาเข้าไปกองทุกข์แล้วมันออกมายากตอนนี้เราเจ็อยู่กับกองทุกข์เราเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในกองทุกข์กันแล้วไม่เคยคิดจะออกจากกองทุกข์กันเพราะยังหลงกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันคอยป้อนให้เรา สุขตอนที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้แต่เวลาทุกข์ที่เราเสียสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันอยากจะฆ่าตัวตายมันคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นการหนีออกจากกองทุกข์มันไม่หนีหรอกฆ่าตัวตายมันก็หนีจากกองทุกข์นี้ไปหากองทุกข์ใหม่แล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะการฆ่าตัวตายมันไม่ได้ทําให้เราไม่กลับมามันจะไม่ได้หยุดการเกิดถ้าอยากจะหยุดการเกิดต้องฆ่าความอยาก ถ้าฆ่าความอยากได้แล้วจะไม่กลับมาเกิดแต่ไปฆ่าตัวตายความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายฆ่าตัวตายความอยากยังมีอยู่เดี๋ยวมันก็มันก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็กลับมามีใหม่อยากจะมี น, นั่นอยากจะมีนี่ใหม่แล้วพอเสียสิ่งที่รักไปก็อยากจะฆ่าตัวตายใหม่เพราะฉะนั้นเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้านี่ท่านได้พิสูจน์มาแล้ว ท่านได้สําเร็จแล้วแก้ปัญหาของท่านได้หมดแล้วดับความทุกข์ต่างๆของท่านได้หมดแล้วท่านถึงเมตตามาสอนพวกเราถ้าท่านไ ม, ม่เมตตาไม่มาสอนพวกเราจะไม่มีความรู้เลยพวกเราก็จะหยา ก, กันไปแข่งแย่งชิงดีกันฆ่าฟันกันแย่งกันทําอะไรกันมีเรื่องมีแล้วเห็นไหมในโลกเนี้ยคนที่ไม่ได้มาวัดดูข่าวข่าวแต่ละวันเ มีแต่เรื่องมีแต่เรื่องฆ่ากันแย่งชิงกันเอาสมบัติกันอะไรกันแล้วมันได้อะไรไปตายไปมีใครเอาอะไรไปได้ไ ม, ไ ม, มีใครเอาได้ไปทักอันยันกันมาถ้าเป็นถ้าตายก็ทิ้งทิ้งไปหมดเวลาไป แ, แต่ร่างกายของตัวเองยาวไปไม่ได้เลยแล้วของนอกกายยาวไปได้อย่างไรอาจคิดกันบ้างสิคิดแบบนี้ มันจะได้หูตาสว่างขึ้นมามันจะได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนทาแบบที่พระเจ้าได้ทำไปบวชกันไปอยู่แบบนักบวชกันไปฝึกจิตทาใจให้สงบ ก, กันดีกว่าไปละความอยากไปละความอยากไปตัดความอยากกันสู้กับความอยากพอเราชนะมันแล้วมันก็จะไม่กลับมาสู้กับเราเอีกต่อไป แต่ถ้าเรายังแพ้มันอยู่มันก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆกลับมาแย่เราอยู่เรื่อยๆมาแยแ่เราก็สู้มันไม่ได้พอมันสั่งให้เราไปทำอะไรก็ต้องไปทำทำแล้วก็ทุกเระหวังที่จะไปทำก็ไปทุกแล้วต้องไปเตรียมตัวเตรียมการสั่งให้ไปเที่ยวนี้ก่อนจะไปเที่ยวได้ก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมเงินเตรียมทองเตรียมรถเตรียมอะไรนะ เราพอไปเที่ยวกลับมาเดี๋ยวก็ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หมดไปละแล้วลเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สั่งให้ไปเที่ยวใหม่พอวันไหนไม่ได้ไปเที่ยวไม่สบายขึ้นมาก็ทุกข์ละอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาล น, นี่น่ะคือความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนอกจากความสุขแล้วเราได้ ได้บินมาด้วยบินก็คือความทุกข์มันมาเช็คบินมาเช็คบินทีหลังสุขแล้วแล้วค่อทุกข์ตามมาต่อไปแต่ความสุขที่เราได้จากการทาใจให้สงบให้นิง่งหยุดความอยากได้นี่มันจะสุขไปตลอดมันจะไม่มีความทุกข์ตามมามันจะไม่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบไม่มีวันสิ้นสุด เรามาเกิดกันไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วจะกลับมาเกิดต่อไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้หน้าที่ของเราถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราก็ต้องมาหยุดความอยากกันหยุดด้วยสติหยุดด้วยปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาแล้วสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ นี่แหละคือสิ่งที่วิเศษที่แท้จริงไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้สติให้ปัญญากับเราได้นอกจากพระพุทธศาสนาให้ความรู้ที่จะบอกให้เรารู้ว่าวิธีดับความทุกข์ของเราต้องดับด้วยอะไรแล้วถ้าเรานำมาวิธีที่เขาจะเล่าสอนให้เรามาใช้นี้เอามาใช้กันเดี๋ยวความทุกข์ต่างๆภายในใจก็จะหมดไป ไม่เชื่อเราออกไปลองดูสิลองไปทดลองดูลองฝืนความอยากดูลองเอาชนะความอยากดูเวลามันชนะแล้วมันเบา อ, อกเบาใจมันสบาย อ, อกสบายใจตอนนี้กําลังทุกข์อยู่กับเรื่องอะไรกำอยากกําลังอยากอยู่กับเรื่องอะไรลองเลิกความอยากนั่นสิอยากให้แฟนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่สบายใจเพราะแฟนไม่เป็นอย่างที่อยาก น้องเปลี่ยนความอยากอย่าไปเปลี่ยนแฟนมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันปล่อยให้มันเป็นไปช่างมันช่างหัวมันพอช่างมันได้แล้วสบายเป็นใจหยุดความอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นยังไงก็เป็นไปสิเราไปเปลี่ยนเขาได้ที่ไหนไปเปลี่ยนกล้วยให้มันเป็นส้มได้ยังไงใช่ไหมกล้วยมันก็ต้องเป็นกล้วยส้มก็ต้องเป็นส้ม คนเขเป็นอย่างนี้จะให้ก็เป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันก็เหมือนกับไปเปลี่ยนกล้วยให้เป็นส้มนั่นแหละไม่มีปัญญาเลยเหมือนคนตาบอดไปจับส้มแล้วก็บอกขอให้เป็นกล้วยขอให้เป็นกล้วยมันไม่เป็นกล้วยหรอกมันก็ต้องเป็นส้มไม่ไม่ลืมตาดูเลยมันเป็นส้มจะไปให้มันเป็นกล้วยได้ยังไงไม่ดูว่าสามีหรือแฟนแล้วเขาเป็นอย่างนี้เขาชอบดื่มเหล้าจะไปอยากให้เขาไม่ดื่มเหล้าได้ยังไงเขาก็ต้องดื่มเหล้า เอาไปอยากให้เขาไม่ดื่มเหล้าก็ทุกเวลาเห็นเขาดื่มเหล้าก็ทุกขึ้นมา <S <S ลองมาหยุดความอยากง่ายๆอย่างนี้ดูก่อน <S <S ไม่ต้องหยุดความอยากที่มันลึกกว่า น, นี้เอาแค่ของภายนอกกันเอาเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นก่อนอย่าไปทุกข์กับเรื่องของคนอื่นเขาได้ไหมอยากไปอยากกับเขาได้ไหมเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยก็เป็นไปแค่นี้ก็สบายไปเยอะแล้ะไม่เชื่อลองทับโทษลองทําดูแล้วมามามาเล่าให้ฟัง บางคนเขาทำได้แล้วก็ามาเล่าให้ฟังเขาเขียนเขาวามโอ้เดี๋วนี้สบายไปเยอะแล้วเมื่อก่อนนี้หนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้พอเดี๋ yn ี้หยุดความอยากได้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้แล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยเบาอกเบาใจขึ้นเยอะเลยทำไมาเราเลิกได้เพราะเรารู้ว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้อนาตตาแปลว่าเขาไม่ใช่ของเราเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ อานิจจาเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลาก็จะเปลี่ยนเราก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาไม่เปลี่ยนไปสั่งเขาก็ไม่ได้ต้องเห็นอย่างนี้แล้วมันจะได้เลิกได้เห็นว่าเขาเป็นกล้วยไปเปลี่ยนให้เขาเป็นส้มไม่ได้ถ้าก็จะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนตัวเขาเองแต่เราไปเปลี่ยนให้เขาไม่ได้แล้วเราจะสบายใจกับเรื่องราววุ่นวายต่างๆที่เรากาลังวุ่นวายกันอยู่นี่วุ่นวายเพราะความอยากของเรานี่ นะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุป ก, กัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจตุสาพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปะนะราโสยทามณีจุติหราโสยทาสัพพิติโยเววาจาตุตสัพพะโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสิลิตสะนิจจังวุธาปจายิโน จตาโหทัมมาวทาติอายุวนันสุขังภาลังมีคำถามไหมทางนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะมาทั้งทีไม่เคย <Yeah. S 2> มาเลยค่ะเด้อ <Yeah. S 2> มันมัวหลงวนอยู่ <Yeah. S 2> ม่ชาติไเห็ เคยติดตามทางเฟซบุ o กหรือเปล่าไม่เคยเคยฟังเป็นซีดีอ๋อฟังแต่ซีดีไปเปิดให้ฟังนะออกไปแจกให้เลยเดี๋ยวนี้เรถ้าดูก็เีถ้ามีเครื่องมี Facebook ก็เข้าไปดูได้ติดตามได้ทุกวันบ่ายสองถึงบ่ายสี่ถ่ายทอดสดแ้วก็หลังจากนั้นก็ดูย้อนหลังได้นี่ มีไฟเขาเก็บไว้แล้วถ้าอยู่ทางบ้านอยากจะถามก็ส่งข้อความเข้ามาได้เดี๋ยวก็จะตอบคำถามที่ผู้ติดตามทางบ้านเขาจะส่งข้อส่งข้อความเข้ามาถามจต่อ ย, อยู่ที่นี่ดีตรงที่ว่าถามแล้วตอบพอตอบแล้วยังไม่กระจ่าง ก, ก็ยังถามกลับได้ทางนั้นก็อาจจะต้องช้าหน่อยอ แล้วัาทีต้องเข้าคิวเพราะคำถามมันเข้ามาเยอะบังทีเราฟังแล้วเราอยากจะถามซ้าอีกทีก็ต้องรอคิวเพราะมีคิวของคำถามของคนอื่นก็รออยู่แต่ถ้าอยู่ที่นี่ก็ถามตอบกันได้คือ ด, ดังๆหน่อยนอย เ, อเวลาเวลานั่งสมาธิถ้าแรกๆเขาบอกว่าให้ให้ เเผงเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วสักพักมันลอยไปเองคือเราอก็จับกลับมาอย่าไปให้มันลอยให้มันมนัลอยแต่อยู่เฉยๆคือเราต้องเเผงแค่จุดเดียวอย่างนั้นเลยอต้องอยู่จุดเดียวอเหมือนเรือเราต้องทอดสมองให้มันจะมันจะได้นิ่งถ้าถอนสมองแล้วมันเดือมันก็จะไหลไปตามน้ําแล้วเวลาตามลมหายใจก็ดูที่จุดเดียวอยู่ที่จุดที่สัมผัส ปายจมูกไม่ต้องตามไ ม, ตต ม, ไม่ตามเข้าไมหมตามออกให้เพ่งอยู่จุดเดียวเราต้องการให้จิตเป็นหนึ่งให้มันนิ่งถ้าถ้าตามมันก็เคลื่อนไหวอยู่จิตยังทํางานอยู่ก็เลยต้องนั่งเฉยๆเพราะเวลาถ้าไม่นั่งเฉยๆจิตก็ต้องทํางานกับร่างกายต้องคอยสั่งให้ร่างกายเดินหรือ<ม>ทําอะไรถ้าต้องการให้จิตนิ่งเป็นสมาธิจริงๆนี่ต้องนั่งร่างกายต้องนั่งก่อนต้องนิ่งก่อนพอร่างกายนิ่งแล้วก็มาทําจิตให้มันนิ่งให้มันอยู่จุดเดียว อยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็ได้อยู่กับลมก็ได้แต่ให้มันอยู่ตรงจุดที่มันเข้าออกอย่าตามลมเข้าไปอย่าตามลมออกมาแล้วเดี๋ยวจิตมันจะรวมเป็นหนึ่งมันจะถอนออกจากตาหูจมูกนิ้งกายตอนนี้จิตมันส่งกระแสไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้งกายพอเราเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวมันจะดึงให้ออกจากตาหูจมูกนิ้งกายต่อไปเดี๋ยวนั่งไปสงบเหมือนจะเหมือนเหมือนกับมันจะเดินเข้าไปในถ้า เสียงต่างๆมันจะรู้สึกไกลๆออกไปเดี๋ยวๆมันก็จะหายไปหมดบางทีร่างกายก็หายไปเลยถ้ามันเข้าไปลึกๆแต่ต้องต้องต้องอยู่กับเรื่องเดียวจุดเดียวอย่าตามอย่าคิดอย่าปรุงแต่งอย่าพิจารณาทางปัญญาตอนที่นั่งสมาธิต้องการหยุดความคิดพิจารณาก็ต้องใช้ความคิด พิจรารณาต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนอย่างตอนนี้เราใช้ปัญญาได้เห็นอะไรก็พิจรารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ได้แต่ตอนนั่งสมาธิต้องการหยุดคิดหยุดพิจรารณาต้องการรวมจิตให้เป็นพลังเป็นหนึ่งพอจิตรวมแล้วมันจะมีกำลังสู้กับกิเลสสู้กับความอยากได้ถ้ามันกระจายออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันไม่มีกาลัง กิเลสมันเข้ามาทางไหนก็สู้มันไม่ได้มันเข้ามาทางตาก็สู้มันไม่ได้แต่ถ้าจิตดวงมีสมาธิแล้วนี้มันไม่กระจายออกไปเวลาจิตกิเลสมันเข้ามาต้องมาจากจุดไหนมันก็สู้กับมันได้ที่พระอาจารย์บอกว่าเสียงมันดูไกลออกไปแล้ว เสียงเหมือนไก e ok ่ออกไปแล้วแล้วมันเหมือนเบาลงเนี่ยอ่าก็ดูไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจเหมือนจิตเราไม่ได้อยู่จุดเดียวหมือนมันมันอยู่ไหมคะก็กลับมาเสร็จถ้ามันไม่อยู่ก็กลับมาเลยอ่มันได้ยินเสียงแต่มันดูห่างๆแล้วก็อ่าก็กลับมาอีกอย่างถ้าถ้าเราทําทําไปแล้วรู้สึกเบื่อเบื่อในวิถีชีวิตปกตินี่มันเป็นธรรมดาไหมคะ มันเบื่อขึ้นเยอะเลยใช่เพราะว่าเราได้ได้เจอสิ่งที่ดีกว่าเราก็เบื่อของเก่าได้ได้ความสุขที่ดีกว่าเหมือนได้รถใหม่ก็เบื่อรถเก่าใช่ไหมเปลี่ยนรถพอได้รถใหม่มารถเก่าก็ขายทิ้งไปหรือให้คนอื่นไปเดี๋ยวมือถือรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยพอซื้อมือถือรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่าก็เบื่อแล้วไม่อยากจะใช้มันะลว<ม><ม>อวเพราะได้ของที่ดีกว่า แต่ถ้ายังไม่มีรุ่นใหม่ออกมาก็ต้องทนใช้มันไปก่อนนะคนที่ไมคนที่นั่งสมาธิไม่เป็นก็ยังต้องต้องทนอยู่กับความสุขแบบเก่าอยู่ด้วยกนเพราะ อ, อย่างน้อยมันก็ยังมีความสุขบ้างถึงแม้จะไม่มากนะแต่พอได้ความสุขแบบใหม่ที่มีแต่ความสุขความทุกข์ไม่มีมันยิ่ง ม, มันยิ่งเบื่อของเก่าอี่า<ม>แต่เบื่อแบบไม่ทุกนะไม่ได้ทุกข์กับความเบื่อ เบื่อเพราะว่ามันเห็นว่ามันมันไม่ดีสู้ของนี้ไม่ได้สู้ของใหม่ไม่ได้ถ้าถ้าเบื่อแบบทุกนี่มันมันไม่ใช่มันก็เบื่อแบบสุขเบบว่าเบื่อของเก่าไม่มีของเก่าไม่ไม่มีมันก็ไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนบองคนเบื่อของเก่าแล้วทุกข์ก็อยากจะมีของใหม่ยังไม่ได้ของใหม่เข้าใจนะ ใครยากจะถามอะไรไหมอ า, อ, อาจารย์คือถ้าเรานั่งสัาห์ไปสักพักหนึ่งแล้วสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนีวจิตนิ่งอะคะแล้วมันจะมีเหมือนความคิดในหัวเราว่าเราสงสัยมั้ยถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่นิ่งถ้ามันสงสัย ม, มันยังคิดอก็ต้องดูลมต่อไปหรือพูดโธต่อไปถ้ายั ง, ถ, ยงถ้ายังมีอะไรอยู่แสดงว่ามันยังไม่นิ่ง ถ้ามันนิ่งจริงๆแล้วมันเหมือนจะจะเหมือนกับตกหลุมตกบ่อวุบลงไปแล้วทีนี้ก็นิ่งเหมือนจับไฟเนี้ยพอไฟเราปิดสวิทซ์ปั๊บนี่ยมันจะมืดทันทีแต่ถ้ายังมีไฟมีแสงยังเห็นนู่นเห็นนี่อยู่แสดงว่ายังไม่ยังไฟยังไม่ดับมันจะเวลาสงบมันเหมือนหูดับดับไม่้ะมันจะเบาจะสบายมีความสุขเหมือนลอยอยู่ในอากาศมี ย่ะลอยอยู่กับความว่าง mm. เบาลอยอยู่รอบตัวไม่มีอะไรมีแต่ความว่างก mm. ารเป็นความสุขมาก mm. จะติดใจ mm. มันรู้เอง mm. ถ้ามันถึงจุดนั้นแล้วมันรู้เองมันมันจะร้องอ๋อเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนีง้พอมันสงบก็อย่าไปทำอะไรมัอนอย่าไปรบกวนมันพยายามประครับประคองด้วยสติให้รู้เฉยๆไป ถ้ามันจะคิดถ้าหยุดมันได้ก็หยุดคิดให้มันอยู่เฉยๆไปงั้นนานๆฝึกให้มันอยู่เฉยๆคอยถ้ามีความคิดใหม่จะเกิดขึ้นมาก็อย่าให้มันคิดถ้ามันสงสัยแล้วก็อย่าไปสงสัยตอนนั้นไม่ต้องอะไรทั้งนั้นหยุดมันทุกอย่างให้รู้เฉยๆไปอย่างเดียวให้รู้อยู่กับความว่างไปให้นานจนกว่ามันจะออกมาถ้าอยากจะกลับข้อใหม่ก็ดูลมใหม่พุทโธใหม่ ถ้าไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอริยาบทแล้วก็มีทางเลือกจะคิดทางปัญญาก็ได้หรือจะให้มันอยู่กับคำบริกรรมคำเดียวก็ได้ถ้าอยู่กับคำบริกรรมก็เป็นการารักษาสติต่อไปถ้าพิจารณาก็้องพิจารณาเรื่องตายรักอนิจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญทางสมาธิทางสติก็อย่าพึ่งไปทางปัญญา ออกมาก็ให้ประคับประคองจิตให้หยุดคิดต่อไปให้อยู่กับพุทโธหรือให้อยู่กับกิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่กําลังอาบน้ําก็ให้อยู่กับการอาบน้ํานั่งหน้าแปรงฟันก็อยู่กับกิจกรรมนั้นอย่าปล่อยไปคิดเรื่องอื่นให้รู้เฉยๆไปให้นาให้ต่อเนื่องให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดอย่างต่อเนื่องแล้วพอเราว่างก็กลับไปนั่งใหม ถ้าเรามีสติดีขึ้นมากๆต่อไปนั่งจะสงบได้เร็วแล้วต่อไปเราจะนั่งได้ตลอดเวลาที่เราต้องการสงบได้ตลอดเวลานะถ้าเราชนานาญทางสมาธิแล้วขั้นต่อไปเราถึงค่อยออกทางปัญญาพนะอจากสมาธิมาก็พิจารณาไตรายักษณ์ในสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้เนื้อครอบของไม่ว่าอะไรที่เรามีอยู่นี่มันไม่เที่ยงทั้งนั้น ๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาพิจารณาเพื่อจะได้ปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันเที่ยงไม่ไปอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดเพราะตามความจริงมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดถ้าเราเห็นเราเห็นความจริงเราก็จะไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้มันเที่ยงไม่ไปอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดพอมันไม่เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์ อ้อมันไม่เที่ยงเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่พิจารณาเรายังเราจะเราจะอยากให้มันเที่ยงเราจะอยากให้มันเป็นของเราต้องมาแก้ความเห็นของเราความเห็นตอนนี้เรามีความเห็นผิดเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงเป็นสุขเป็นของเราอแต่ไม่รู้ว่ามันมันเที่ยงชั่วข่าวเป็นของเราเพียงชั่วข่าวเป็นสุขชั่วข่าวมันไม่ถาวร เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนทัศนคติใหม่ต่อต่อสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่หรือเกี่ยวข้องด้วยเช่นบุคคลต่างๆก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันไปรักกันวันนี้อาจจะเกลียดกันวันพรุ่งนี้ก็ได้อยู่กันวันนี้อาจพรุ่งนี้อาจจะตายจากกันก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนคิดอย่างนี้เราพอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาก็จะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจ พอรู้ล่วงงานแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วรู้ว่าฝนจะตกก็เตรียมเตรียมน่มเอาไว้แล้ ว, ลวพอฝนตกก็กางร่มก็สบายนี่คือปัญญาที่เราจะต้องเจริญหลังจากที่เราชำนาญทางสมาธิแล้วถ้ายัางไม่ชำนาญทางสมาธิยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องปัญญาเพราะพิจารณาไปก็ทำใจไม่ได้อยู่ดนะีจะทำใจได้มันต้องมีสมาธิถึงจะทใจได้ กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นอย่าพึ่งไปกังวลส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติญาณโยมนั้งหลายที่มาฟังเนี่ยยังไม่อยู่ในขั้นที่จะลอกไปเจริญปัญญาพยายามฝึกสติสมาธิให้ชานานก่อนสามารถนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนก่อนแล้วค่อยไปกังวลเรื่องปัญญาต่อไปบางคนนี่นั่งสมาธิยังไม่ได้สมาธิกลัวติดสมาธิแล้วเ่ะ ยังไม่ทําได้เลยกลัวติดสมาธิแล้อมันมีอะไรให้ติดแต่มันไม่มีให้ติดเลยไม่ติดอะไรประธานนั่งนั่งสมาธิไม่นานเข้าว่าได้สมาธินะนั่งสมาธิก็เหมือนกับกาลังพยายามสร้างสมาธิให้เกิดแต่ยังไม่เกิดมันไม่ได้อยู่ที่ชั่วโมงว่านานหรือไม่นานมันอยู่ที่ว่านั่งแล้วมันสงบหรือไม่สงบถ้าเราไม่สงบมันก็ยังไม่ได้สมาธิ มันจะถ้ามันสงบแม้ด่านั่งเพียงห้านาทีมันก็ได้สมาธิแล้วถ้ามันสงบแต่ถ้ามันสงบแล้วมันก็จะนั่งได้ยาวเลยเป็นชั่วโมงได้เลยเพราะมันเบามันสบายมันไม่มีความรู้สึกเจ็บหรือปวดทางร่างกายไม่มีความรู้สึกอยากจะลุกไปทํานู่นทํานี่มันก็นั่งได้ยาวไปเลยอันนั้นขันตอนนี้มาฝึกสมาธิกันให้ชํานาญก่อน แล้วค่อยมาพิจารณาทางปัญญาต่อไปพิจารณาบ้างก็ได้พอหอมปากของพอพ อ, พอรู้ว่าเราต้องพิจารณาอะไรกันพอรู้ว่าตายรักเป็นอะไรอันนี้จังทุกขังแล้วน่าตาเป็นอย่างไรก็พอพิจารณาได้แต่ยังไม่ได้เป็นก่อเป็นกรรมยังไม่ได้ให้ผลอถึงเวลาที่จะพิจารณาความตายมันก็ยังพิจารณาไม่ได้ปล่อยวางความตายไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิมันยัง ทำเ่านไมันก็ยังไม่ยอมตายอยาน่นนะแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันยอมตายเพราะมันรู้ว่าถ้าไม่ยอมตายแล้วทุกข์ถ้ายอมตายแล้วมันไม่ทุกข์เอาละนะจะให้ทางบ้านก็ได้ถามบ้างามีไหมคําถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับ จากคุณนงรักนะครับสติกับสมาธิต่างกันอย่างไรสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสติก็คือการหยุดความคิดด้วยคําบาลีคำพุทโธพุทโธหรือด้วยกรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้แล้วลึกถึงความตายก็ได้ตายตายตายตายตายเนี่ยทันยพุทโธพุทโธก็ตายตายตายตายตายก็เรียกว่ากําลังสร้างสติขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ แล้วพอนั่งนิ่งเฉยๆไม่คิดอะไรเดี๋ยวจิตสงบนิ่งก็เป็นสมาธิขึ้นมางั้นสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลเหมือนปลูกต้นไม้ตอนต้นก่อนจะได้ผลไม้ที่เราต้องการเราก็ต้องปลูกต้นไม้ก่อนอยากได้ส้มก็ต้องปลูกต้นส้มก่อนเวลาที่เราปลูกเวลาที่เรารดน้ำพรวนดินอยู่ทุกวันทุกวันนียเรากำลังสร้างสติขึ้นมาสร้างต้นไม้ขึ้นมาพอต้นไม้มันจเจริญเติบโตเต็มที่มันก็จะออก ออกผลละไม้ออกมาตอนนั้นก็เป๊ะเวลามีสติอย่างต่อเ น, นื่องเวลานั่งจิตไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่อ ง, งนี้เดี๋ยวมันก็สงบนิ่งรวมกันเป็นหนึ่งสงบนิ่งรวมกันเป็นหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิ <c oughs> แต่เราภาษาไทยเรามักจะเอาสมาธิมาใช้แทนสติกันที่ <c oughs> เราพูดวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลย <c oughs> ควาจริงมันต้องพัวมันนี้ไม่มีสติอยู่กับงานเลยสติใจลอยเปิดเปิงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีสติควบคุมการคิดให้มันอยู่กับงานแต่เราไปใช้คำสติใช้สมาธิแทนสติพอเรามาพูดถึงสมาธิเราไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครไม่มีใครรู้สมาธิคนถ้าไม่ได้ปฏิบัติจริงๆจะไม่รู้จักคำว่าตัวสมาธิจริงๆว่าเป็นอย่างไร <S <S 1> <S 1> ก็จะเข้าใจเพศคว่า พอมีพุโทโธพุโทโธเรือพอนั่งหลับตาแล้วก็มีสมาธิแล้วมันยังไม่มีมันไม่สงบยังไม่รวมเป็นหนึ่งจะคุณมีมี่นะครับถ้าเราให้อภัยไปแล้วแต่ยังไม่อยากเจอหน้าขออยู่ห่างๆแบบนี้ถือว่าให้อภัยไหมคะ <c oughs> ก็ก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ไปตอบโต้เขาก็ถือว่าเราให้อภัยเขาแล้วแต่เรายังขยาดเขาอยู่เรายัง ไม่อยากจะเจอเขาก็อันนี้ก็เป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งถ้าถ้าถ้าจะให้มันดีก็ถ้าต้องเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เจอไม่เจอได้ก็ดีแต่ถ้าเจอก็ก็ได้ใจแล้วถ้ายังขยาดยังอยากก็มันก็เป็นความทุกข์อยู่เพราะมันยังไม่อยากเจอเขาเนี่ยจากคุณโตนะครับพระโสดาบันและพระสกิทธาคามีหรือพระอนาคามี จำเป็นต้องเป็นพระพิสุเสมอไปหรือเปล่าครับผู้ครองเรือนจะสามารถเป็นได้ไหมครับได้ใครก็เป็นได้ถ้ามีมรรคถ้ามีสติมีปัญญาสองตัวนี้ถ้ามีสติมีสติมันก็จะมีสมาธิแล้วถ้ามีปัญญามันก็จะรู้ว่าต้องหยุดความอยากถ้ามีสมาธิมันก็จะหยุดความอยากได้ยังไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นพระหรือเป็นผู้ครองเรือน เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นี้ไม่ไม่สำคัญสําคัญว่ามีสติมีปัญญาหรือเปล่าคนบางคนมีสติปัญญามามากมาเกิดบางทีพอได้เพิ่มปัญญาจากพระพุทธเจ้าหน่อยก็บรรลุได้เลยโดยที่ไม่ต้องบวชเป็นคาลวะต์พอฟังธรรมปั๊บก็บรรลุได้ก็มีนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมเป็นว่าจะต้องเป็นพระหรือเป็นนักบวชหรือเป็นคาลวะต์แต่ถ้าพูดโดยหลักทั่วไป สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยการไปบวชนี่ยมันจะช่วยทําให้ได้สติสมาธิได้ปัญญาได้เร็วกว่าเพราะถ้าเป็นคฆราวาสมันเวลามันไม่มีเป็นฆร า, าวาสมันต้องไปทํางานหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอ้าเป็นพระมันไม่ต้องเสียเวลามีคนเลี้ยงออาเวลามาสร้างสติสร้างปัญญาได้ตลอดเวลานี่พูดหมายถึงคนที่ไม่มีมาเลยเนย เหมือนกับคนที่ต้องไปเรียนหนังสือเนี่ยคนที่เข้าโรงเรียนกับคนที่ไม่เข้าโรงเรียนใครจะได้ความรู้มากกว่ากันแต่คนบางคนที่ฉลาดมีความรู้มาเห็นว่าเด็กอัจฉริยะบางคนนี้อายุสิบขวบก็จบปริญญาตรีได้ตรงนี้เขามีความรู้มาเก่ามาดั้งเดิไปแล้วเขาก็เลยไม่ต้องเรียนเรียนมากเรียนข้ามชั้นกระโดดชั้นได้ไปสอบเทียบได้เลย อันนี้ก็เหมือนกันสติปัญญาของคนบางคนมีมากแล้วพอมาได้เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยจากพระพุทธเจ้าจากพระพุทธศาสนาก็บรรลุได้เลยจากคุณเจนนี่นะครับการที่เราแสดงความเห็นเกี่ยวกับธรรมะแก่บุคคลทั่วไปจะเป็นการอวดอ้างหรือไม่คะก็ดูฐานะของเราว่าเราควรที่จะแสดงหรือไม่แสดงแล้วคนที่เขาฟังก็อยากจะฟังหรือไม่ฟัง ถ้าก็อยากจะฟังเขาถามเรานี่เราก็พูดได้แต่ถ้าเราเขาไม่อยากจะฟังชอบไปสอนเขาอย่าไปอย่างนี้ก็แสดงว่าทําด้วยความอยากอันนี้ก็เป็นกิเลสแต่ถ้าเขามาปรึกษาขอความรู้ว่าพี่ไปวัดมาบ่อยๆมีธรรมะอะไรมาฝากบ้างก็บอกเขาได้แม้แต่พระเองทานก็ไมาให้เทศถ้าไม่มีคนอราธนาเพราะถ้าคนก็ไม่สนใจก็อย่าไปเสียเวลา พูดไปก็เหมือนใส์เทน้ําใส่หลังสุนัขเห็นไหมหมาที่มันไม่ชอบน้ําเนี่ยลองเทน้ําใส่มันเลยมันสะบัดทิ้งหมดเลยแต่ถ้าหมาที่มันชอบเนี่ยดึงมันกระโดดลงน้ํามันก็ตามไปเลยเห็นไหมคนที่ชอบธรรมะนี่พอเขาชอบทำพอพูดธรรมะนี่ก็ฟังเพลิดเพลินกันไปแต่คนที่เขาไม่ชอบอย่าไปพูดให้เสียเวลามันเป็นการแสดงอดชอบอดความรู้ของตัวมากกว่าชอบ ชอบพูดให้คนโดยที่ไม่สนใจว่าคนนี่เขาฟังเขอยากจะฟังมั้งเปล่าอย่างนี้ก็แสดงว่าชอบโออวดแต่คนที่เขาไม่ชอบโอ้อวดเขาพูดต่อเมื่อเขามีความจําเป็นต้องพูดอย่างนี้เขาพูดได้จกพูดไม่ผสมออกนาม น, นะครับเราจะวางใจอย่างไรหากเรารู้ว่าพระที่วัดแถวบ้านยังกินข้าวเย็นเล่นหวย <c oughs> เราเลือกที่จะไม่ไปทําบุญกับพระแบบนี้ถูกหรือไม่คะ ก็มันไม่ใช่เป็นพระเต็มร้อยแล้วเนี่ยก็ก็แล้วแต่ถ้าเราอยากยังอยากจะทำกับพระที่ไม่เต็มร้อยก็ทำไปถ้าเราอยากจะได้พระเต็มร้อยเราก็ต้องไปหาพระที่มีความเคร่งคัดต่อพระพระวิเนียรไม่ผิดศีลศีลไม่ด่างพร้อยอ็คิดว่าเป็นเหมือนปซื้อผลไม้ก็แล้วกันบางทีเขาคัดเลือกผลไม้ที่มีตำหนิมีรอยเน่านิดหน่อยมาไว้ตะกร้าหนึ่งแต่ราคาถูก ผลไม้ที่สวยที่งามเขาเอาไว้ตะกร้กาหนึ่งราคาก็ต่างกันอันนี้พิเศษลดราคาอันนี้ราคาเต็มอันนี้ก็เหมือนกันทําบุญกับพระที่ศีลไม่เต็มกับพระที่ศีลเต็มมันก็ได้บุญต่างกันบุญนี้หมายถึงธรรมะที่เราจะได้จากพระแต่บุญที่เกิดจากการให้ของเรานี้ทํากับใครก็ได้เท่ากันคือความสุขใจที่เราได้จากการเสรียสละ เงินทองด้วยข้าของเพื่อประโยชน์สุด ข, ของผู้อื่นเนี่ยไม่ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ผู้รับว่าเป็นใครขึ้นอยู่กับผู้ให้ว่าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการผลตอบแทนก็จะได้บุญเต็มที่ถ้าให้แล้วต้องการผลตอบแทนอยากจะให้เขาทาอย่างงู้นทําอย่างนี้ให้เราเยถ้าเขาไม่ทําเราก็จะเสียใจอันนี้ ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับความสุขใจที่เกิดจากการให้นี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้แต่ถ้าเราต้องการผลตอบแทนสิ่งตอบแทนจากผู้รับนี่ยเราก็ต้องเลือกผู้ที่เราจะให้ว่าเขาจะมีอะไรให้เราถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปหาพระที่มีธรรมะมาสอนเราถ้าไปทำไปหาพระที่ไม่มีธรรมะสอนเราเขาก็ไม่มีธรรมะจะให้เรา จากคุณสุกัญญานะครับการที่ท่านให้อยู่คนเดียวดีกว่าเราควรมีวิหารทำอะไรที่จะทำให้อยู่คนเดียวได้โดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเพราะสังคมสมัยนี้อยู่ลำบากมากเจ้าค่ะก็มีสติไงถ้ามีสติแล้วมันก็จะไม่แคร์ไม่สนใจสังคมใครจะว่างไงก็เรื่องของมันถ้ามีสติใจเรานิ่งใจเราสงบมันไม่คิดปรุงแต่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือเราชอบไปคิด คิดว่าเขาคิดอย่างไงคิดว่าเขาว่ายัางไรคิดแล้วก็ทําให้เราไม่สบายใจแต่เราาคิดอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวได้แล้วเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องของชาวบ้านจากคุณเจนะครับการเล่นหุ้นถือว่าผิดสีหรือเปล่าเจ้าพักเป็นการพนันใช่หรือไม่ก็แล้วแต่เราเล่นแบบไหนเล่นแบบลงทุนซื้อระยะยาวเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารมันก็เป็นการเป็นการลงทุนแต่ถ้า ซื้อเพื่อที่จะเก่งงบรายซื้อวันนี้ขายขายพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้มันก็เหมือนการเล่นการพนันพอซื้อมาแล้วหุ้นมันตกก็กลัวจะขาดทุนมากกว่านี้ก็ขายนี่มันก็เหมือนกับเล่นการพนันไปเหมือนแทงหวยแทงไม่ถูกก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหุ้นใหม่หุ้นตัวนี้แทงแล้วเจ๊งก็ต้องไปเปลี่ยนอีกถ้า เ, เล่นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นการพนันแต่ถ้าเราซื้อซื้อมาเพื่อเป็นการเอาเงินไปฝากเหมือนกับฝากธนาคาร ธนาคารให้ผลตอบแทนน้อยก็ซื้อเอาเงินไปฝากโริสัทนี้บริษัทนี้ก็าเาเงินเราไปไปไปหมุนไปทําอะไรแล้วเขาให้ผลตอบแทนมากกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยจะคุณบิลลี่บุรีลัมนะครับการพนันมีศิทธิ์ต่อการภาวนาหรือไม่อถ้าภาวนามันก็จะไม่มีทางที่มานั่งนั่งนั่งภาวนาได้ มันก็จะมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องการพนันตลอดเวลาอย่างวันนี้ก็กระจายก็ จ, จดจ่ออยู่กับหวยเ น, นี่ยวันนี้เลขท้ายจะออกอะไรนะว่าไเรื่จะมันพุโทโธพุโทโธรไงได้จกคุณชนะตนนะครับผ้าอาบน้ําฝนสามารถถอยนอกฤดูพรรษาได้หรือไม่งเขาไม่ห้ามแต่ธรรมเนียมเขาถอยในเฉพาะช่วงพรรษาเกินสมัยก่อนมันกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันแล้วอย่างหนึ่ง สมัยก่อนมนะันมีน้ำประปามไม่มีอะไรบางทีมียุคที่มันแห้งแล้งน้ำหายากเนี่ยพระบงทีก็รอฝนตกแล้วค่อยอาบน้ำกัน่ังนั้นสมัยก่อนไม่มีภาพน้ำก็ไม่ได้ใส่อะไรอาบน้ำแบบร่อนจอนปดิวันหนึ่งนั่งวิสาขาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอยากจะถวายน้ำปานะให้กับพระในวัดก็เลยส่งคนรับใช้ให้ไปดูว่าวันนี้มีภากี่รูปจะได้เตรียมน้าไป พอไปถึงวัดพอดีฝนตกหนักพระนานๆจะได้อาบน้ําฝนนทีก็เลยออกมาไม่มีผ้าอาบน้ําฝนก็เลยเปื่อยกายล่อนจนคนชายก็ตกใจรกลับไปบอกบอกที่วัดไม่มีผ้าเลยเหนือนแต่พวกชีปเปือยนานิสาขาเขาเข้าใจเขาก็เลยไปกราบทูลขออนุญาตพระเจ้าขอถวายผ้าอาบน้ําฝนให้พระใช้เวลาช่วงที่มีฝนตกอาบน้ําฝน มันก็มีแค่นี้ที่มาของผ้าออน้ำฝนแต่สมัยนี้เรามีห้องน้ำห้องท่ามีฝากบัวมีฝนตกอยู่ทุกวันว่าฝากบัวได้ตลอดเวลากไ็ไม่มีใครเหน็นก็ไม่ต้องใช้ผ้าใช่หไหมมีที่เปิดมิตรชิดอยู่แล้วก็จะถวายก็ได้ไม่ถวายก็ได้แต่ในสมัยพุทธกาลท่า น, นท่านให้ถวายเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเพราะไม่ต้องการให้ผ้ามีสมบัติเยอะ แล้วพอช่วงออกพรรษาก็ให้สละผ้าอาบน้ําฝนไปเพราะไม่มีน้ําฝนให้อาบแล้วจากคุณการตะพนนะครับสีลบกพ้องมีผลทําให้เกิดสมาธิยากหรือไม่เพราะเหตุใดครับอ่ถ้าเสีินบกพ้องกหนึ่งก็คือเราไม่มีเวลามานั่งสมาธิไปมัวแต่ไปทําผิดสีนห้ามห้ามกินเหล้าก็ไปนั่งกินเหล้ากันห้ามกินข้าวเย็นก็ไปนั่งกินข้าวเย็นกันเวลาจะมานั่งสมาธิก็หมดไป แล้วถ้าลืมแล้วแล้วเดี๋ยวก็เมาไม่มีสตินั่งสมาธิต่อไม่ได้กินข้าวอิ่มไปนั่งก็ง่วงนอนนั่งแล้วก็หลับับปยงงก็มีโทษตามมาทำให้ทำให้นั่งสมาธิไม่ได้จะคุณณพลนะครับเรื่องค่านิยมมันเป็นกิเลสใช่ไหมครับแล้วการที่เราทำตามค่านิยมมันผิดไหมครับเราจะจัด ก, การจิตใจตนเองเรื่องค่านิยมอย่างไรดีครับให้ใจเป็นกลาง อค่านิยมมันก็มีทั้งดีนะไม่ดีค่านิยมที่เป็นกิเลสก็ไม่ดีค่านิยมที่เป็นธรรมก็ดีถ้านิยมเข้าวัดกันนิยมใส่บาตกันนิยมรักษาศีลกัน่ก็มันก็ค่านิยมที่ดีแต่ถ้านิยมไปเที่ยวกันนิยมไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันสองหรูหรากันค่านิยมเหล่านี้มันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นกิเลสันก็ต้องดูว่าค่านิยมมันไปทางไหนถ้าไปทางธรรมก็ดี ไปทางกิเลสก็ไม่ดีจากคุณเฉลยนะครับการที่เราอยากจะเป็นศิษย์ครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเราไม่ได้เข้าพิธีแต่อธิษฐานจิตเอาได้ไหมคะความจริงการเป็นศิษย์นี้ไม่ได้อยู่ที่การมีพิธีหรือไม่มีพิธีเนี่ยความจริงศิษย์ก็คือผู้ผู้เรียนรู้จากอาจารย์ถ้าเราตั้งใจเรียนคําสอนจากอาจารย์ไม่ต้องไปทําพิธีเราก็เป็นศิษย์โดยอัตโนมัติ ถ้าอาจารย์สอนให้ทําอย่างนี้แล้วเราทําตามคําสอนของอาจารย์แล้วก็เป็นสิทธ์แล้วตดยที่อาจารย์ไม่ต้องมาบอกว่าเธอเป็นลูกสิทธิ์เราเราเป็นอาจารย์ของเธอมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นสาระของการเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์อยู่ที่ว่าเราเชื่อฟังคําสอนของคนที่สอนเราเราเขารับในคําสอนเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้ที่มีความรู้ดีกว่าเราเราสามารถที่จะอาศัยเขาให้ความรู้กับเราได้ เราก็เรียนรู้จากเขาเนี่ยเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วโดยที่ไม่ต้องไปขอจากพระพุทธเจ้าเราอ่านหนังสือธรรมะเราปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เราก็เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องมากล่าวพุทธังสรดังกัชามิธรรมังสารกล่าวไปแล้วก็ไม่ไม่ปฏิบัติตามกล่าวเสร็จ ก, ก็เดี๋ยวก็ไปกินเหล้ากันเดี๋ยวก็ไปเล่นการพนันกันอันนี้ก็อย่าไปกล่าวให้มันเสียเวลาอย่าไปขอครูให้เสียเวลาใช่ไหม มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่รองพิธีกรรมมันอยู่ที่ตัวสาระของการเป็นครูเป็นอาจารย์กับเป็นลูกศิษย์กันว่าทำอย่างไรครูก็ต้องมีหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ทําผิดทําถูกก็ต้องสอนต้องบอกทําผิดก็ต้องเตือนอะไรทํานองนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ลูกศิษย์ก็ต้องเชื่อฟังอาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกก็ไม่ควรจะทำํำจากคุณประเสริฐ น, นะครับทําบุญกับผู้มีศีลกับไม่มีศีลได้บุญเท่ากันไหมครับ ถ้าเป็นการเป็นความรู้สึกทางจิตใจเท่ากันคือความสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนสัตว์ในราชด้วยกันเช่นเอาเงินร้อยบาทไปปล่อยปล่อยนกปล่อย ป, อยปาลาเราก็มีความสุขใจเอาเงินร้อยบาทไปซื้ออาหารใส่บาทเราก็มีความสุขใจเหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการประโยชน์จากผู้รับนี่นเราก็ต้องเลือกว่าเราเราต้องการอะไรจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยถ้าเราอยากจะได้ความ ได้ธรรมะเราก็ต้องไปหาพระที่มีธรรมะถ้าเราอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแล้วก็ไปทําบุญกับหมอที่โรงพยาบาล Youtube จากคุณพีนะครับถ้าหากไม่มีโอกาสอยู่กับครูบาอาจารย์แต่ติดตามฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วปฏิบัติตามแนวทางคำสอนสามารถที่จะรู้ทมเห็นรมได้ไหมครับก็ลองดูสิเราไม่รู้เพราะว่ามันแต่ละคนมันมัน จะบรรลุได้ไม่ได้มันไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะการที่ปฏิบัติตามมันอยู่ที่ว่าปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยเหมือนเด็กนักเรียนในโรงเรียนครูมีคนเดียวมีลูกศึ์มีนักเรียนอยู่30คนแต่ทาไมคะแนนชัดออกมาไม่เหมือนกันบางคนก็4ี่จุดบางคนก็1 0จุดนยมันก็อยู่ที่นักเรียนครูก็สอนให้กับนักเรียนเหมือนกันทุกคน นันก็อยู่ที่นักเรียนแต่ละคนว่าจะมีความรู้ความสามารถมากน้อยเท่าไหร่บางคนก็อาจจะบรรลุได้บางคนก็ยังอาจจะบรรลุไม่ได้อาจจะต้องเรียนมากขึ้นต้องพ่าสติไม่ค่อยดีเวลาครูพูดพูดอะไรใจลอยไปคิดถึงเรื่องอื่นก็เลยฟังไม่เข้าใจพอถึงเวลาทำการบ้านหรือทาข้อสอบก็ทาไม่ได้แต่ถ้าเป็นมีสติดีตั้งใจฟังคาพูดของครูทุกคาพูดเวลาครูสอบก็จะสอบได้ จากคุณเพ็ก ช, ชี่นะครับการที่เรามีชีวิตคู่แต่ตัดสินใจไม่มีบุตรเพราะเราคิดว่าหากมีแล้วจะมีทุกข์อยู่มากเลยดับเสียแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดไหมคะหากสิ่งที่ตัดสินใจเป็นการบังทางของการเกิดอ๋อไม่หรอกการที่เราไม่ไม่มีบุตรนี่ไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างใดเพราะว่ามันตามหลักความเป็นจริงมันก็มันดีกว่ามีบุตรน มีแล้วก็ต้องมีพาระต้องเลี้ยงดูแลบุตรต้องห่วงใ ย, ยบุตรต้องกังวลต้องทุกข์กับเรื่องของบุตรทิดาถ้าไม่มีมันก็ไม่มียิ่งถ้าไม่มีสามีไม่มีภรรย า, าได้ยิ่งดีใหญ่จะคุณเนตรมณีนะครับเวลานั่งสมาธิจิตสงบแล้วมจะมีอาการตรงหน้าผากเหมือนมีไฟฟ้าสถิตแป๊บแปบและลัดเข้ารัดเข้าเสียว อาการนี้เป็นเพราะอะไรคะจะทําอย่างไรต่อ อ, อ๋อมันยังไม่สงบก็ให้รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเราทําอะไรมันไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจให้เรากาะติดอยู่กับลมหรือกับพุทโธของเราตอบไอ้อย่าไปนสนใจมันเดี๋ยวมันก็จะหายไปจะคุณเบญจวรรณนะครับเคยบวชทําสมาธิจิตรวมที่ท่านอาจารย์กล่าวแต่ไม่ทราบศึกออกมาจิตใจจะรู้สึกเกิดแก่เจ็บตาย ความไม่เที่ยงต่างๆตรงนี้จิตใจจะรู้สึกเองใช่ไหมคะเมื่อออกมาใช้ชีวิตโลกแต่กลับมาภาวนาจิตทำแบบรวมไม่ได้จะได้เมื่อเจอความกลัวเช่นเจอช้างภู ว, วัวเครื่องบินจะตกใช่บางทีจิตมันจะรวมต้องมีเหตุการณ์มันก็ทุ่มเมันพ อ, อไปเจออะไรที่เป็นภัยนี้มันจะหาที่หลบทันทีถ้ามันเคยเข้าสมาธิเป็นมันก็จะเข้าไปในสมาธิ ถ้ามันไม่มเข้าสมาธิไม่เป็นถ้ามันไม่มีสติมันก็จะโกยเลยจะจะวิ่งเลยจากคุณกันตพล น, นะครับเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถพิจารณาร่างกายในขณะจิตเป็นสมาธิจําต้องถอนออกจากสมาธิก่อนอ่าเพราะจิตมันนิ่งอะเวลานอนหลับคุณจะเอาร่างกายไปทํางานได้ป่า เวลานอนหลับเป็นเวลาพักผ่อนของร่างกายคุณจะร่างกายไปทํางานไม่ได้คุณต้องปลุกร่างกายก่อนอยิ่งถ้าคุณปลุกคุณไปนอนทําไมก็อย่าไปนอนให้มันเสียเวลาถ้าคุณนั่งสมาธิเพื่อจะดึงให้มันออกมาทางปัญญาคุณไม่ต้องไปนั่งให้เสียเวลาคุณก็พิจารณาได้ตั้งแต่ยังไม่นั่งสมาธิเพียงแต่ว่าจิตที่ไม่มีสมาธิจะไม่มีกําลังใช้ปัญญาฆ่ากิเลสเท่านั้นเองจึงต้องไปสร้างสร้างกำลังขึ้นมาก่อนให้จิตมีความสงบมากๆ พเราต้องการใช้ความสงบนี้สู้กับความอยากต่างๆด้วยการใช้ปัญญาสอนเราจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม น, นะครับถ้าเราทำบุญต้องทำกับพระสงฆ์อย่างเดียวถึงจะได้บุญหรือไม่คะหรือกับวัดหรือทำกับผู้ยากไร้กับโรงพยาบาลได้บุญเหมือนกันอก็ได้บุญเหมือนกันเนี่ยนอกจากถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องทากับพระสงฆ์ที่มีธรรม ะ, ะจากคุณณพลนะครับ คนที่อยากรู้ว่าคนอื่นรู้ธรรมะมากน้อยหรือเปล่าแล้วมาบีบให้คนพูดเรื่องธรรมะถ้าเรารู้น้อยกว่าเขามาพูดธรรมะที่สูงกว่าทำให้รู้สึกเหมือนโดนทับถมเช่นนี้คนไม่พูดธรรมะก่อนแล้วมาพูดทับทีหลังคนเช่นนี้ชอบโอ้อวดเหมือนกันใส่ใหม่ครับทั้งนี้คนที่ถูกบีบให้พูดใจไม่อยากพูดเลย ก็ไม่พูดก็ได้เขาอยากจะพูดอะไรก็ฟังไปเราก็ใช้หลักอ่อนน้อมถ่อมตนไปก็จบผมไม่รู้เรื่องอะไรครับพี่มีอะไรก็สอนผมเลยปล่อยมันก็ไล่า ย, ยาวไปเลยมันก็เดี๋ยวเขาได้ได้เหนื่อยแล้วเาก็หยุดไปเองอไปเถียงกันปากเปียกปากชี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรธรรมะไม่ได้มีงาไว้เพื่อมาเถียงกันธรรมะมามีไว้เพื่อมาฆ่ากิเลส ข, ของตัวเราเอง อย่างตัวกิเลสตัวสําคัญก็คือตัวตนเนี่ยอัตตาตัวตนเพราะฉะนั้นเราต้องฆ่าตัวนี้ด้วยการอมน้อมถ่อมตนอย่าไปอวดเก่งอวดรู้อวดดีทําตัวดีกว่าสบายไม่ต้องไปแสดงไม่ต้องไปให้ไปพิสูจน์้ะบอกผมโง่สัอย่างเดียวจบไม่ต้องไปไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าเราโง่หรือไม่โง่ถ้าเราไปบอกว่าผมเก่งเนี่ยผมเป็นโสดาบันเนี่ยเดี๋ยวเขาต้ มามาท้าทายเราแล้วใช่ไหมงั้นพยายามอย่าไปอวดดีอวดเก่งเป็นเสือซ่อนเล็บดียิงโง่ยิงฉลาดครับอาจาระได้รู้อะไรเยอะๆดีอ้าวเดี๋ับข้อสองข้อจะคุณพรอวิทยานะครับช่วงนี้ดูจิตซึมๆแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็ไม่มีสติไงปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งปรุงแต่งไปในเรื่องที่ทำให้เศร้าใจซึมขึ้นมางั้นก็ พยายามใช้สติพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวพอจิตส ง, งบแล้วความซึมเศร้าต่างๆก็จะหายไปข้อสุดท้ายนะครับจากคุณลีนะครับเราบวชแล้วจำเป็นต้องสึกแต่มีจิตใจอาลัยอาวรณกับผ้าเหลืองและศาสนามากๆยังอยากอยู่ในเพศบรมพชิตอยู่แบบนี้เรียกว่าเป็นยึดติดอันเป็นที่มาของภพชาติใหม่ครับออไมเหรอกการยึดติดของยึดติดผ้าเหลืองนี้เป็นการให้ดลดออกจากภพชาติ การกลับมากับการที่สึกเนี่ยกับเป็นการกลับมาหาภพชาติเพราะยังสู้ความอยากที่จะมามีหาความสุขทางร่างกายไม่ได้การไปบวชนี้เพื่อเป็นการเลิกหาความสุขทางร่างกายเนี่ยงั้นถ้าอยากจะกลับไปก็กลับไปสิแต่ไม่ต้องกลัวเป็นการกลับไปหาภพชาติการบวชนี้เป็นการออกเป็นการออกจากภพชาติการกลับมาอยู่แบบคารวานี่แหละเป็นการกลับมาหาภพชาติ